อาจารย์ครับกล่าวมรสการครับผมยระดับทอนคุณหมอแนละท่านผู้ชมผุ้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับวันนี้ตอนบ่ายฝนตกแล้วครับผมก็แทบจะเสร็จเลยสักสองสานาทีฝนเริ่มโปรยมาเพราอะไรเริ่มขยับไม่มีสมาธิฟังอะไรต้องคิดว่าหยุดดีกว่าอ๋อนนครับผมรีบสรุปมาฟั ง, มา ฟ, งมาฟังต่อวันนี้มาทั้งคำถามเรนี้ได้ครับอาจารย์ อาจารย์ครับวันนี้ตั้งหัวข้อเรื่องทุดงขวัตครับเพราะว่าคําว่าทุดงเนี่ยพอพูดไปเนี่ยคนส่วนใหญ่อย่างผมเองก็ยังมักจะนึกถึงพระที่ไปเดินในป่าบ้างเดินตามถนนบ้างซึ่ ง, ซ, งซึ่งก็เข้าใจว่าอันนั้นอาจจะไม่ใช่ความหมายของพระทุดงที่แท้จริงใช่ไหมครับอาจารย์วันนี้ก็เลยขอกราบขอโอกาสพระอาจารย์อธิบายถึงทุดงขวัตว่าจริงๆแล้วคืออะไรแล้วก็ถ้าเราจะปฏิบัติเนี่ยต้องทําอย่างไรแล้วก็ประโยชน์จะได้ อย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับขอบความเมตตาครับธุ น, งนองขาวัดเนี้ก็เป็นข้อวัดปฏิบัติพิเศษที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงบังคับเหมือนกับสีลสองรอยยิบเจ็ดข้อสีนสองอย่ิบเจ็ดนี้บังคับทุกองที่มาด้วยต้องต้องปฏิบัติตามละเว้นไม่ได้ขาดขาดไม่ได้ขาดก็ถือว่าผิดนครับแต่ทุนองขวัตเนีเป็นข้อวัดที่ ทรงเห็นว่ามันอาจจะายากลาบากสำหรับผู้บางผู้ที่ปฏิบัติเริ่มต้นใหม่ๆอาจจะยังไม่มีอินทรีย์แก่ก้าพอที่จะปฏิบัติได้ก็เลยไม่ทรงกำงหนดไว้ในในวินัยพระปฏิโมกข์227ข้อทรงแยกออกมาเป็นทุดโดวกคศวัษ13ข้อด้วยกัน ทุตดงก ว, วัตสิบสามข้อนี้มีแบ่งไว้เป็นสี่สี่ส่วนด้วยกันสี่หมวดหมวดแรกเกี่ยวกับเรื่องของการขบชั้นหมวดที่สองเกี่ยวกับเรื่องการนุ่งห่มจีวรหมวดที่สามเกี่ยวกับเรื่องที่อาศัยและหมวดที่สี่เกี่ยวกับเรื่องของความเพียรอันนี้แบ่งไว้สี่หมวด เป้าหมายของการให้ถือทุตตองกวาี่เพื่อเพื่อกำจัดอุปสรรคคือกิเลสที่มากๆากความมากมอลเพื่อส่งเสริมความมากน้อยสันโดษให้ใช้เพียงแต่เท่าที่จาเป็นให้มีเท่าที่จำเป็นที่มีนะหรือให้ยินดีตามมีตามเกิดคือปากกิเลสความมากมากความชู้จี้ จ, จุกจิก ความอยากได้โนู่นอยากได้นี่อันนี้เพื่อที่จะไดะ้ไม่ต้องมาวุ่นวายกับการจัดสรรเรื่องปัจจัยสี่ของพระให้มากจนเกินไปให้เอาแบบง่ายๆเร็วๆแล้วเป็นการเสริมความเพียรในการปฏิบัติธรรมด้วยอันนี้ก็มีนีดเป้าหมายหลักของทดลงเขาไว เพื่อแก้กิเลสความมากมากความรักความชู้จี้จุกจิกความอยากได้อาหารแบบนั้นอาหารแบบนี้เป็นต้นก็ใช้ชุดดอขวเหล่ น, น, นี้แล้วก็ให้ความมากมากคือไม่ให้ไม่ให้มีมากไม่ให้ฉั้นมากไม่ให้เสศษมากให้ให้เศษพอต่อความต้องการของร่างกาย นี่ต้องบอกค่ะว่าจำไม่ได้สิบสามก้อนนะครับแต่ก็ไม่ได้แต่อีกอย่างนึ่เพราะว่าทุต ด, ดงเหล่านี้ไม่ได้บังคับให้บังคับให้ปฏิบัติและบางข้อจะปฏิบัติก็กําหนดเวลาได้ว่าจะปฏิบัติหน้าน้อยเท่าไหร่สั้นยาวเท่าไหร่ก่อนจะปฏิบัตินี่เขาก็ก็จะมีการกําหนดเวลาเช่น เป็นในสัตว์ชีี่เป็นอยู่ในหมวดของความเพียรคือการถือสามวิริยาบทไม่นอนไม่เไม่นอนครับ อ, อยู่แต่ท่านั่งท่ายืนท่าเดินสามท่านี้แล้วก็สามารถกําหนดเวลาที่ต้องการจะปฏิบัติข coni ได้ตามความปรารถนาบางคนก็เอาคืนวันพระหนึ่งคืนวันวันพระถือหนึ่งคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนเพื่อเป็นการเสริมความเพียร คือไม่อยากให้นอนมากเกินไปถ้าจะหลับก็ให้มันหลับในท่านั่งหรื อ, อท่ายืนหรือท่าไหนท่าเดินถ้าเดินงงจะหลับไม่ได้อ <c oughs> ต่ถ้าหลับอยู่ในท่าที่ไม่นอนนี่มันจะหลับไม่ได้นาน <c oughs> ถ้านั่งคอพักเดี๋ยวถ้ า, าพักเดี๋ยวมันม่วยคลอง้วต้องตื่นขึ้นมามาตื <c oughs> ่นขึ้นมาก็จะได้ภาวนาต่อได้ปฏิบัติทําต่อได้อันนี้อยู่ในหมวดของความเพียร ซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติที่จะกำหนดเอาหรือขึ้นอยู่กับสำนักที่ไปอยู่ด้วยอันนี้สำนักก็มีประเพณีธรรมเนียม ท, ทุกวันพระจะถือเจสัจชิกันเคจะไม่นอนกันอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์ถ้าเราไปอยู่ในวัดที่เขามีประเพณีหรือมีถือตุดอกเข้าวัดอันนี้เราก็ต้องถือตามเขา อย่างที่วันยานี้เขาก็จะมีในสัจจิกในวันสําคัญคือในวันมาฆบูชาในวันวิสาขบูชาหลังจากเวียนเทียนเสร็จก็ให้ไปสวดมนต์ไหว้พ้ะสลับกับการฟังเทศฟัาธรรมไปจนถึงสว่างถึงตอนใกล้รนะุ่งการทำวัดเช้านะสิ่งแรกกันอันนี้ก็เป็นในสัจจิกรบุของความเพียรเพื่อจะมีอยู่ข้อเดียวเท่าที่จำได้ ทนี้บทนํะมาเริ่มที่บทของอาหารเดีป่ะเรื่องของการรับขอบชั้นของพระข้อไรที่พระเจ้าทรงสอนให้ถือก็คือการบินตบาดเป็นวัดเป็นกิ จ, จวัตรไม่เว้นไม่รับกิจนิมนต์หรือถ้าจําเป็นจะต้องรับกิจนิมนต์ก็ให้ไปบินตบาดก่อนแล้วค่อยไปห ร, หรือถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปรับกิจนิมนต์เลยจะสะดวกป่ะ ได้บินตบานได้ตามปกติเอาไปบินตบานแล้วไปไปไปฉันไปนักินนตมอนิกอาหารบินตบามาก็ไม่ได้ฉันอีกแล้วก็เลยอาจจะอันนี้ข้อข้อนี้ก็เพื่อหนึ่งให้ให้การบินตบานนี้จะเสริมความสันโดษคือยินดีตามมีตามไปอาหารบินฑบานนี้ก็เป็นอาหารที่ไม่ไม่เหมือนกับอาหารที่เวลา ญาติโยมนีม่หมดไปฉันที่บ้านที่งานเวลาก็มีงานมีอะไรเขาก็าจะจัดสารอาหารที่ละเอียดปานีพิสด า, ารมาเลี้ยงพระแต่ถ้าอาหมาินตบานี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารที่ชาวบ้านเขากินกันตามปกติเขาก็แบ่งมาให้พระฉันบ้างอันนี้ก็เป็นการสนับสนุน การยินดีตามดีตามเกิดเปนนาเป็ น, า บ, นาบานมะาแล้วได้อาหารมาก็ฉันตามที่ได้มาะแล้วข้อสองก็ในในเรื่องของบิณนาบานเป็นวันนี้ก็เสริมความเพียรป้องกันความเกียดคร้านเพราะสมัยนี้บางทีศาสนาเรานี่จเจริญนู่นอยากย้ายโยนไม่อยากที่จะทําบุญกับพระก็อยากย้ายพระสบายไม่อยากย้ายพระลําบาก นดิมนมาพาไม่ต้องไปบินรบาดจะเอาอาหารมาถวายที่วัดซึ่งเดี๋ยนี้ธรรมเนียมของวัดบ้านนี้วันพระพระท่านจะไม่เป็นระบาดกันว่าญาติโยมจะไปทํำบุญใส่บาตร ท, ที่ที่วัดกันะพระเลยไม่ให้ไปบินระบาดแต่พระป่ า, า, านี้จะไม่มีธรรมเนียมนี้ะพระที่ถือตู้ดองมาวัดก้อนนี้ท่านจะเป็นระบาดเป็นปกติวันพระวันกรวันอะไร วันเทศกาลอะรก็บินดับบลัส่วนญาติโยมจะมาทำบุญที่วาดต่อก็เป็นเรื่องของญาติโยมไปแต่พระต้องขอทำหน้าที่ของของพระก่อนคือบินดาบาลแลวการบินดาบาตของพระป่า น, นี้จะมีระยะทางอย่างน้อยประมาณสองกิโลเมตรจากวัดไปที่บา้านเป็นอย่างน้อยความแห่งวัดไกลกว่าวัดสามกิโลก็มีไปกลับก็หกิโลเป็นการเสริมความเพียน ได้เดินจงกรมไปในขณะที่ไปเดินไปที่บ้านเพื่อบินดบาตระหว่างบินดบาตรก็จะเดินสติไปตลอดแนวทางอันนี้เป็นการเสริมความเพียรกระจาดความเกียดติ้านเรื่องของการถือบินดบาตรเป็นวัเสริมความมางน้อยสันโดดบาน้อยเพราะอาามันไม่มันไม่อะไรทลายมันไม่น่ากินก็เลยกินไดน้อยโดยปริยาย บางคราไม่กินโดยปริยายอันนี้เป็นทุนของคารวข้อที่ข้อหนึ่งที่พระป่าทั้งหมดส่วนใหญ่จะถือกันทั้งหมดในสายหลวงปู่มั่นนี่อานจะถือข้อ น, นี้กันเป็นปกติการเป็นตบาดเป็นวัดข้อที่สองคือการชันในบาดเป็นวัดคือจะไม่ใช้สําหรับไม่ใช้ถ้วยชามจานอะไรต่างๆเพราะมันเป็นการรับประทานเป็นชันแบบคาระวะทุกองเลือด แล้วก็เป็นเรื่องวุ่นวายต้องมีภาชนะต้องเตรียมจัดหาภ า, าชนะมาแล้วฉันเสร็จก็ต้องไปล้างภาชนะกันอีกเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะยุ่งยากเกินเกินไปสําหรับนักบวชที่จะใช้กันที่จะปฏิบัติกันพระเจ้าเลยสอนว่าให้ฉันในบาตรคือให้อาหารที่จะฉันนั้นใส่ไปในบาตรไม่ว่าจะเป็นของค้าของหวานข้าวเปล่าหรืออะไรก็ตามให้ใส่ไปในบาตร อันนี้เพื่อเป็นการออลดภาระของการเรื่องของการดูดแลภาชนะเนี่ยเรื่องของการเลี้ยล้างซักล้างคอยล้างเวลาฉันเสร็จอีกเนยมิถ้าฉั้นมีอย่างบาดใบเดียวมันก็ง่ายก็เร็วก็สะดวกแล้วผ้าป่านี้ท่นรักจะไม่ใช่ช้อนด้วยท่านจะใช้มือฉัน้นกันเพอาะช้อนนี่มันก็เห็นลวงตาบอกว่าเวลาบวชีนเมต อุปชาไม่ได้มอบช้อนมาให้อหมอบแต่บาทไปดียว่าีบาทของเธอเนะ่ยแต่นี่ช้อนของเธอไม่มีวิจาร์อของเธอไม่มีเนี่ยเวลาบวชนี่อุปชามอบมให้เพียง อ, อย่างเดียวคือบาทครับก็เลยถือว่าเอาบาทไปเดียวพอเวลฉันก็ใช้มือฉันเอาทางอีสานเขานิยมเป็นข้าวเหนียวด้วยขวเวยขามักจะใช้ช้อนใช้ใช้มือฉันกันเสะเดวกกว่าแล้วก็ แล้ววิธีฉันในบานนี้ก็มีสาม ร, ระดับด้วยกัน ร, ระดับแบบแบบเบาๆก็คือสามารถแยกอาหารได้เป็นส่วนๆได้ข้าวไว้ส่วนหนึ่งกับไว้ส่วนหนึ่งขนมไว้ส่วนหนึ่งอันี้แบบเบาๆแบบปานกลางก็คือไม่แยกแต่ก็มีใสอะไรเข้าไปก็ใส่ไปไม่จะอยู่ตรงไหนก็ได้ ข้าวจะไปทับข้าวของหวานจะไปทับของขาวก็ได้อะไรครับคือไม่ไม่ไปแยกไม่ไปจัดสรรนี่แบบปานกลาแบบหนักก็คือเขาเอาคุกทั้งหมดเลยอาาที่ได้มาของข้าวของหวานของอะไรนี่ของที่แข็งเข้าไปเดี๋ยวมันก็ไปรวมกันในทองใช่ไหมใช่ครับก็รวมกันในบาปไปเสเล ย, เลยจะได้ตัดปัญหาเรื่องของกิเลส เรื่องของการติดตรสชาติของอาหารติดระติ ด, ตดชนิดของอาหารต้องกินอาหารชนิดนั้นอาหารชนิดนีด้เอเดี๋ยวมันก็รวมกันในท้องแค่นี้ก็รวมเข้าไปในบาทเลยถ้าวนไหญาติโยมถวา ย, า y y m, วยเย็นตะโพก็ใส่เข้าไปถวายพิซซ่าก็ใส่เข้าไปถวยายสิ่งก็ใส่เข้าไ ป, าาไปอันนี้สําหรับขั้นขั้นขั้ น, นเป็นที่คือสําหรับผู้ที่ต้องการที่จะปราบกิเลสในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการฉานอาน ทฉันจะฉันแบบนั้นอันนี้ไม่บังคับแล้วแต่ผู้ปฏิบัติจะเข้าเวรถึงแม้ที่ว่าจะถือถือแต่แตอย่างที่วัดป่ามั่นีาจะถูกบังคับให้ฉันแบบปานกลางคือพระจะไม่มีสิทธิ์ที่จะจัดบ่ายของตัวเองอคือหลวงตาจะเป็นองเดียวที่จะรับรั บ, บ อ, าอาหารที่ประญาติโยมพระเคมาลดตักใส่บายของหลวงตาแล้วหลวงตา<ๆ>ตท่านก็นจะให้ ภาชนะของอาหารนั้นกับพระรูปหนึ่งไปตัดแบ่งกับพระไปใส่บาตรพระทุกรูปอาหารชนิดที่สองท่านก็ให้ไพ่รูปไปตักใส่บาตรอาหารที่ท่านได้มาเพะท่านตักใส่บาตรท่า น, นก็ให้พระไปพระก็จะคอยรับไปตักใส่บาตรลงมาทับพีเอาละทับพีไปท่านไม่มีสิทธิเลือกอาหารที่จะรับประทานแลานไม่มีสิทธิจัดอาหารในบาตรพระที่ใส่บาตรจะใส่ให้อย่างไรก็สุดแท้แต่ อันนี้ถูกบังคับโดยปริยายให้ฉันแบบปานกางคือไม่แยกอาหารไม่เลือกอาหารใ ห, ให้แล้วแต่ตามมีตามเกิดแล้วถ้าอยากจะฉันหนักกว่านั้นก็เวลาจะฉันก็ไปครูก่อนเองอ น, นั้นก็ได้สำหรับผู้ที่ยังติดปัญหาเรื่องอาหารอยู่ ก, ก็ครกเป็น อันนี้เป็นมาตรการเพื่อกบจัดปัญหาเรื่องของการขบชันเพราะบางทีเห็นอาหารที่เราถูกปากชอบเขาถวายมาแต่ต้องผ่านพระผู้ใหญ่ก่อนบางทีมาถึงเรา น, นี่ไปหมดแล้วมันก็อาจจะทำให้โอ้เสียใจเสียดายเกิดอารมณ์เสียขึ้นมาได้<อ>ล้วก็จะไปติดรสอาหารติดชนิดอาหารนื่นอยากจะกินอาหารแบบนั้นอีก วันไหนไม่ได้กินอาหารที่อยากจะกินก็จะไม่มีความสุขจากการรับประานอันนี้คือเรื่องของการฉันในบาทแล้วฉันเสร็จก็ง่ายมีบาทใ บ, บ, บเดียวไปล้างบาตบปทกป๊อกเดียวก็เสร็จเช่นบาทเสร็จก็เก็บเรื่องของวาชนะก็หมดธนาไปไม่ต้องมาคอยเก็บมาล้างถ้วยล้างชางมกนอีกอันนี้ขอ้อข้อที่สองเกี่ยวกับเรื่องการขบฉัน ฉันใ้บาทแล้วข้อที่สามก็คือฉันหนเดียวฉันครั้งเดียวพอนั่งฉันแล้วไม่ให้ลุกถ้าลุกก็แสดงว่าไม่ฉันแล้วแล้วไม่ใช่ลุกแล้กลับมาฉันใหม่ไม่ได้เรียกว่าฉันอาสนะเดียวนี่นั่งครั้งเดียวฉันนั่งฉันครั้งเดียวพอลุกแล้วจบไม่ว่าจะเกิดมีเหตุผลใที่จะลุกพอลุกแล้วไม่กลับมาฉันอีกสหรับวันนั้น เรียกว่าฉันเมื่อเดียวฉันอาสนะเดียวแล้วก็มีข้อหนึ่งนี้บางวัดท่านก็ถือบางวัดก็ไม่ถือแล้วถือเป็นเฉพาะช่วงอย่างว่าบาง่านตานี่ในช่วงเขา้ารรษาท่านจะถือไม่รับอาหารที่ตามมาหลังจากการมาจากบินสบเป็นทธายโา ย, ายมาสายจะไปซาราแล้วไปถวายอาหารให้กับพระพระท่านจะไม่รับ เพราะคือท่านต้องการที่จะลดปริมาณของของอาหารจากญานิโยมเนี่ยเอาแค่อาหารจะใช้ได้จากบิณฑบาตก็พอแล้วไม่ต้องการที่จะรับอาหารที่มาเสริมในในภายภาคหนรับก็เลยถือข้อนี้กันแต่ปัญหาคือญาติโยมที่เขาอยากจะใส่บาตรกันเขารู้ว่าเมื่อไม่สามารถเข้าไปในวัดใส่ได้เขาก็ไปดักเราที่หน้าประตูวัดกันจนกลายเป็นแถวยาวเหยียดไปเลย ก็จะต้องมีตั้งโต๊ะกันเวลาในช่วงเขา้าพรรษาในญาติโยมจะไปคอยตั้งเพญญราะญาตโยมไม่ได้เป็นชาวบ้านส่วนเดียวชามบ้านก็ตักที่หน้าบ้านเขาได้แต่ญาติโยมที่มาจากต่างมามาจากที่ไกลที่อยากจะมาใส่บา <S 2> <S 2> ก็บางทีจอรดรถข้างทางถนนก็ไม่สะดวกน้ก็ะไรมาดักที่ที่หน้าวัดกัน ทางวัดเลยต้องจัดโต๊ะเมงไว้แล้วก็ทําที่หลบแตดงลบฝนได้ทำเอยียดเดียวเท่าไห่วัดตามวัดาตร์จะมีแถวตั้งยาวเหยียดถึงหน้าประตูอันนี้เพราะว่าในช่วงเข้าพรรษานี้พระท่านจะไม่รับบาตรหลังจากที่ท่านไม่รับบิบไม่รับอาหารหลังจากที่เข้าไปในวันแล้วเข้าประตูวัดไปแล้วนีก็เพื่อผู้คามากน้อยไม่รบใา้ อ, อาหารมากเกินไป มีกสิข้อที่เกี่ยวกับเรื่องการของฉันนะเท่าที่จําได้หนะ้าที่ที่มีปฏิบัติกันอย่างสม่ําเสมอมาทางสายวัดป่าท่านจะปฏิบัติข้อวัดเห่ า, านี้กันข้อต่อมาที่เกี่ยวกับหมวดเรื่องของจีวรเครื่องเครื่องนุง่งห่มเครื่องนุ่งห่มนี้สมัยโบราณสมัยพุทธกาลนี้ไม่มีการถวายผ้าสําเร็จรูป ต้องไปหาผ้าจากในป่าชาเป็นผ้าที่เขาใช้หอ่อศพกันเรียกว่าผ้าบางสกุลผ้าบางสกุลนี่คือผ้าหอ่อศพแล้วก็สมัยนั้นไม่มีการสมัยยุคแรกๆที่มีพระพุทธเจ้ามีพระพุทธศาสนานี้จะญาญโยนชาวบ้านจะรู้เพีกกันเรื่องการใส่บาตรเพราะพระจะไปแค่ใป บ, บ้านแล้วก็ถือบาตรเข้าไป แล้วก็ไปรับาอาหารเขิผ้านี้ผ้าท่านไม่ไปขอจากสรัทธายากโยท่านไม่ต้องการรบกวนเพราะท่านเห็นว่ามีผ้าที่ท่านไปเก็บมาทันมาตัดมาเย็บเป็นผ้าจีวรได้คือผ้าที่เขาใช้ ห, อหอ่อศพพอศพเน่าเปื่อยแห้งแล้วผ้าก็ก็สามารถที่จะเอามาเอามาเอามาซักมายอดมาตัดมาเย็บเป็นผ้า สามผืนผ้าผ้าของผ้านี้มีอยู่หนึ่งหนึ่งชุดเรียกว่าผ้าไตรมีผ้านุ่งก็เรียกว่าผ้าสบองผ้าที่ใช้นุ่มนี่ยเป็นผ้าสบองหนังเืนผ้าห่มนี้เรียกว่าผ้าจีวอนแล้วก็มีผ้าห่มสองชั้นอันนี้เป็นความเป็นความจริงเป็นผ้าห่มกันหนาวไว้สําหรับเวลามีอากาศหนาวก็ใช้เป็นผ้าห่มพผ้าห่มกันหนาวผ้าสังกะิีนี่ธรรม อ น, นัญาให้ทำเป็นสองชั้นเป็นเป็นผ้าสองชั้นเป็นจีวรสองชั้นเพื่ อ, อง่ายๆก็จะหนาปึกเนี่ยอันนี้เป็นผ้าที่พอเพียงต่อความต้องการของพระเขาุดอดงพระที่ถือดองก็จะถือถือถือผ้าหนึ่งสำรับก่อนอันนี้หนึ่งชุดเดียวใช้ผ้าตายชุดเดียวแล้วถ้าเกิดเวลาจะซักก็ผัดกันซัก ไม่ได้รักทีเดียวเพราะวันสามพื้นสมัยพุทธกาลรู้สึกกันยจะจะไม่มีผ้าที่เราเรียกว่าผ้าบริวารที่มีกันในสมัยนี้ที่ผ้าป่านี่จะมีผ้าบริวารอยู่สองสองชิ้นคือผ้าน้ำฝนแล้วก็ผ้าสบายที่เรียกว่าผ้าอังสะสังเกตนะเวลาผ้าท่านไม่ได้ไปทําทํากิจทำทำสงฆ์ทำกรรม ท่านก็จะถ้าเราอยู่วัดปัดกวาดอะไรนี่ท่านก็จะน่องผ้าตามน้ําฝนแล้วก็มีอังสาผ้าสบายหนึ่งผือนอันนี้สําหรับผ้าป่ามากแค่ไหนกันประมาณสองชุดก็พอชุดหนึ่งไม้สายชุดหนึ่งไม้ไม้สักว์อันนี้เป็นผ้าที่ใช้สําหรับเวลาทํางานทำการในวัดปัดกวาดอะไรต่างๆเวลาไม่ได้ประกอบพิธีการเช่นบิณฑบาตขบชั้นต้อนรับศรัทธายาโยม ทำไปที่จะต้องมีภาพของเคลียภาพจีวนให้เรียบร้อยอันนี้อันนี้เป็นนอกสําหรับเป็นผ้านอกสําหรับไม่ไมี้ไม่ได้มีกําหนดไว้ในทวดดวงขวัตทวดดวงขวัตกําหนดว่าให้ถือภาพหนึ่งสํำรับหนึ่งใจก็พอบาทีศรัทธาญาหยมศรัทธามีมากอยากจะถวายผ้าพตายให้ทั้งชุดคนนี้ก็อยากจะถวายคนนั้นก็อยากถวายปีหนึ่งไม่รู้ไม่รู้กี่ร้อยชุด มีมาแทบทุวกวันทราเนี่ยปัญญาบายเนี่ยก็มาแล้วหนึ่งตายหนึ่งต า, ถ, าถ้าถือหนึ่งชุดก็ก็เอาไปเอาไปบริจาคให้กับพระที่ไม่มีวัดให้พระที่ขาดแคลนไปแต่สำหรับตนเองนี่จะถืเพียงแค่หนึ่งหนึ่งชุดก็พอ mm hmm. เพราะมันสะดวกต่อการดูแลรักษาใช่หมหนึ่งชุดมีหลายชุดก็ต้องดูแลรักษาหลายชุดด้วยกันต้องซักหลายชุด อันนี้ถ้ามีชุดเดียวก็สักมันแค่ชุดเดียวนะอันนี้เรียกว่าถือผ้าตตหนึ่งมันชุดหนึ่งหนึ่งไตเนี่ยเป็นเป็นวัดที่จะไม่มีมากกว่านั้นจะมีผ้าสมองหนึ่งผืนมีผ้าจีวรหนึ่งผืนผ้าสัมคติหนึ่งผืนเท่านั้นไม่มีมากกว่านั้นอันนี้เรียกว่าถือถือผ้าไตเป็นวัดานแล้วก็ถือ อีกข้อหนึ่งเรียกว่าถือผ้าบางสกุลโือจะต้องเอาผ้าที่เป็นผ้าห่อศพท่านั้นมาทําเป็นผ้าชีวรมาตัดเย็บกันเองถ้าญาติโยมถวายผ้าสําเร็จรูปมาให้นี้ถ้าถือผ้าบางสกุลก็ไม่เอาใช้ไม่ได้ถ้าเป็นผ้าแบบว่าผ้าใหม่ที่ไปซื้อมาจากร้านงี่อาจจะเป็นผ้าขาวยังไม่ได้ตัดเย็บเป็นจีวรผ้าป่าผ้าป่านนี้จะนิยมตัดเย็บจีวรของตนเอง พ่าแม่นิยมใช้ผ้าที่ญาติโยมซื้อมาสําเร็จรูปเพราะครูบาอาจารย์บอกเป็นกิจวัดเป็นหน้าที่ของพระที่ต้องรู้จักวิธีตัดเย็บกี่วอนตนเผือเวลาไม่มีญาติโยมถวายจะได้ตัดเย็บเองได้หาผ้าเองได้ถ้าไปเพึ่งผ้าตายที่ญาติโยมซื้อสําเร็จรูปมาใส่ถ้าเกิดไม่มีผ้าไม่มีใครถวายผ้าตายแล้วก็ไม่มีผ้าจะใส่เขาตัดเย็บเองไม่เป็น พระป่าท่านเลยไม่นิยมใช้ของผ้าสำเร็จรูปที่ตัดมาครบเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ก็แต่ก็รับตามศรัทธาเพื่อไม่ให้เสียศรัทธาหย่านอยู่แต่พระป่านี้ท่านจะตัดเย็บจีวรในช่วงที่รับประทินหลังจากรับประทินเสร็จนี้ยจะเป็นช่วงเวลาประมาณหนึ่งเดือนที่ท่านจะมาตัดเย็บจีวรถ้าขั้นขาดพือไหนท่านก็จะตัดเย็บขื้นนั้นถ้าขาดผ้าจีวรก็ตัดเย็บจีวรพื้นใหม่ ถ้าขาดผ้าสมองก็ถ้าขาดผ้าสั้นกติก็ตัดเย็บกีวานเพราะขนาดของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันด้วยบาอยองทีญาติโยมซื้อกีวานมาให้สั้นเกินไปก็ไม่ยาวเกินไปก็ไม่ญาย่าอยมไม่รู้ขนาดของผ้ารผ้าป่าจะนิยมตัดเย็บกีวานของตนเองอันนี้ไม่ได้เป็นข้อธนงขาวันนะเป็นธรรมเนียมของผ้าป่าทำธนงขาวันก็มีแคอหนึ่งถือผ้าผ้าหนึ่งใย เป็นวัดสองใช้ภาพที่เป็นบางสกุลมาทําเป็นผ้าพตายจีวรแต่สมัยนี้ไม่มีแล้วเพราะว่าไม่มีการไปเอาศพไปที่ไม่น้ป่าชาติเหมือนเมื่อก่อนนี่เอา้าไปเอาศพกันคราวนี้ก็มีผ้าไตผ้าบางสกุลเทียมคือผ้าสําเร็จรูปที่ก็ไปวางไว้ที่หน้าหีบศพแล้วเรียกให้ภาพไปชักบางสกุลชักผ้าบางสกุล เป็นเหมือนกับเป็นเรียนแบบผ้าผ้าหอ่อศพไม่ในห่อผ้าศพอยู่ในโรงแล้วผ้าก็เป็นผ้าสําเร็จรูปหอมาอย่างดีอย่างสวยงามเป็นผ้าใสแล้วก็วางไว้ที่หีบศพหน้าหีบศพแล้วก็นิมนผ้าไปชักบังสกุลผ้าเหล่านั้นเป็นธรรมเนียมแบบตามเรียนแบบในสมัยพุทธกาลที่มีการใช้ผ้าบังสุขุนอันนี้เป็นเกี่ยวกับบท เกี่ยวกาเรื่องเรื่องเครื่องนุห่นี้เท่าที่จำได้นี่สองสองสองสองเรื่องนี้ครับแล้วมาหมวดที่เกี่ยวกับการที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยนี่ข้อหนึ่งก็ให้ให้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดให้เป็นข้อวัดเนี่นั้นวัดที่เป็นวัดป่าวัดเขาเนี่ยก็ถือว่าถือทุนลขวัตรวนนี้คือไม่ใช่วัดที่ตั้งอยู่ในบ้านในเมืองอันเป็น ถ้าอยู่ป่าถึงไม้จะเป็นวัดแต่ถ้าอยู่วัดตั้งอยู่ในวัดอยู่ในป่าก็ถือว่าเป็นวัดก็ถือทุโดองข้าววัดข้อนี้อยู่ได้คือการอยู่ป่าเป็นวัดจะไม่อยู่ตามบ้านตามเมือพราะบ้านเมืองมันไม่มันไม่สงบมันไม่สนับสนุนมันไม่เวกเหมือนกับวัดป่าวัดเขาืผู้ปฏิบัติที่ถือทุโดองข้าววัดข้อนี้ก็จะต้องไปหาวัดป่าอยู่กันวัดป่าวัดเขา คือการอยู่ป่าอยู่อยู่ป่าเป็นวัดนะไม่อยู่บ้านอยู่ไม่อยู่ตาบ้านตามมยกเว้นกรณีที่มีกิจในมลและมีธุระจาเป็นให้ต้อ ง, ของเงข้าเมืองบางครั้งต้องไปหาหมอไปรักษ า, าหรือไปเยี่ยมญาติโยมอะไรนี้ก็เป็นข้อยกเว้นไปนะโดยหลักแล้วส่วนใหญ่จะถือข้อนี้เป็นเกือบตลอดชีวิตก็ได้การอยู่ป่าเป็นวัดใิสลาภาพปฏิบัติ แล้วข้อที่สองต่อมาก็คือการอยู่ตามคนไม้คือไม่อยู่ในกุฏิไม่อยู่ในที่ที่ที่ที่อยู่อาศัยเช่นกุฏินจะอยู่แบบอยู่อยู่ตามคนไม้โดยอาศัยกรดเนี่ยกรดการไว้แล้วก็มีมุ้งที่ครอบครอบกรดอีกทีแล้วก็นอนนั่งภาวนาอยู่ในกรด นนอภาย ใ, ใต้คนขนต้นไม้อันนี้จะใช้ในเฉพาะช่วงที่ไปทุ ด, ดงในป่าแล้วก็นในช่วงที่เป็นฤ ด, ดูแรงฝนไม่ตกนะจะเหมากกว่าถ้าไปทุ ด, ดงช่วงฤ ด, ดงูฝนเช่นตอนนี้บงมันเดียวเพามันคงจะสู้กับพายุไม่ไหวแต่ก็อาจจะมีบางท่านบางองท่านอาจจะถือข้อนี้ตลอดกนะ็ได้การนี้ก็สุดแท้แต่ คือการอยู่อยู่ตามคนว่าเป็นวัดคือไม่อยู่ในกุฎิพูดองอ่ายๆอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งข้อต่อมาก็คือถ้าอยู่ในกุฎิก็ให้ยินดีตามมีตามเกิดคือแล้วแต่ทางว่าจะจัดสรรให้เช่นถ้าเราไปวัดเราไปกราบครูบาอาจารย์ขออยู่ท่านกังพิยาให้อยู่แล้วท่านก็บอกว่าวันตินที่ว่างอยู่กุฎินนี้ไปนะ ท่านจัดคนตีนให้อยู่ก็อยู่ไปไม่ไม่เลือกไม่ไม่อยากอ ย, กอยู่คนที่และอยากจะได้คนนั้นคนนี้ <Okay. S 1> ไม่เอาเอาตามที่เขาจัดสรรให้ยินดีตามมีตามเกิดอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยครับ <Okay. S 1> ม้อยู่สามข้อด้วยกันแต่อาจจะมีมากกว่านี้ที่จำไม่ได้นะ <Okay. S 1> ก็สามข้อสองข้ อ, ขอห้าข้อ ก็จําได้สิบข้อขาดอีกสามข้อนี่หลบม่นไปบ้างมาถ้าใครสนใจก็ค้นหาได้ในค o ปกิจกรรมวัตถุดกวัตสิบสาข้อมันขึ้นครับอันนี้ทั้งนั้นก็เพื่อสนับสนุนการอยู่แบบเรียบง่ายบ้านน้อยสันเดินแล้วก็เสริมความเพียรการอยู่คนมนี่มันจะต้องมีสติมากกว่าอยู่ในปกติเพราะไทยมันประชิดมาได้นึกว่าเดิมมากกว่า ทั้งมูทั้งเสียงทุกงต์เลือ่อยคลานทั้งลายกับต่างๆนะทั้งหมดทั้งมแมลงอะไรต่างอยู่ต้องมีสติมากพอสมควรเท่าที่ได้ยินเวลาพระที่ท่านไปทุ่งดอท่านมักจะไปที่เ พ, พระทุด่ดงดนี่ต้องไปอยู่ที่ใกล้หมู่บ้านคือต้องมีหมู่บ้านในปิงตบาดนะมักจะอาศัยชาวบ้านเนี่ยพาไปชี้จุดบ้านที่ไหนเหมาะต่อการภาวนา แล้ชาวบ้านจะเมตตาทําแค่ชั่วข่าวให้แค่ไม้ไผ่ให้สําหรับอนอนพักนอยเือนแค่ไม้ไผ่แล้วก็แขวนกดได้จะไม่ได้ปูเสือ่นอ น, นอนกับนั่งกับพื้นนอนเพืเห็นพบางทีมันก็อาจจะมีสัตว์เลือ้อยคลานอะไรต่างๆส่วนใหญ่ภาพที่ไปทดลองเท่าที่ได้ยินท่านจะไปไปไปปรึกษาชาวบ้านก่อน อาจะมาอยู่แถวนี้นะมันจะมาบินธบาตอะไรอย่างนี้ให้เขารู้แล้วเขาก็จะเขาก็จะไปทำแค่ให้เพรบางทีอาจจะมีพระเคยไปทุดงมาก่อนก็จะได้พาไปที่จุดนั้นที่หา่างพอสมควรจากละแวกบ้านเพื่อไม่ให้ชาวบ้านไปรบควนนี่ก็คือเรื่องของทุดงขวัดครับอาจารย์ครับเห็นได้ได้ทราบ ประวัติครูบาอาจารย์ก็พอไปปักกฎทุดงที่ไหนตรงนั้นก็มักจะกลายเป็นวัดไปเลยใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าท่านอยู่นานๆถ้าท่านอยู่นานมันก็จะกลายเป็นวัดชาวบ้านก็มีศรัทธาก็จะนิมนต์ให้ท่านอยู่ถ้าท่านไม่มีภารกิจแลที่ต้องทำถ้าท่านเห็นว่าที่เป็นที่เหมาะสมต่อการภาวนาท่านก็อาจจะอยู่ต่อครับแต่บางทีท่านก็บางทีอยู่สักพักนึงแล้วท่านก็อาจจะย้ายถ้าท่านยังอยู่ในช่วงที่ท่านยังไม่ต้องการความ เคยชิมกับสถานที่เวลาอยู่กับที่เป็ในในานมันเคยชิมแล้วควา ม, ะมาระมัดระวังความมีสติมันจะลดน้อยลงถ้าท่านอยาก้องการอาศัยสถานที่เป็นเครื่องเสริมการจเจริญสติอยู่ถ้าท่านอยู่ไปสักพักแล้เริ่มรู้ว่าสติท่านเริ่มเริ่มเริ่มไม่คล่องตัวแล้วทาา่านก็าจจะต้องย้ายที่อเวลามีอยู่ที่ใหม่ๆมันจะทําให้ต้องคอยมีควา ม, ะมาระมัดระวังปรับตัวเองให้กับสถานที่ใหม่ ใช่อย่างนึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าอยู่ที่ด้านนอกมีใครมารบกวนหรือเปล่าบางทีชาวบ้านชอบมาขอนน่นขอนี่ขอหวย ข, ขอเลขขอเบอร์อะไรก็มีถ้ามาแบบนบางทีก็ถ้าต้องการจะปเปิดงไม่ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวก็อาจจะต้องเปลียนที่ใหม่ไปอยู่ที่นี่ชาวบ้านก็ไม่ค่อยสนใจไม่มา ย, ยุ่งด้วยจะดีกว่าแล้วผู้ที่ต้องการจะไปเปลี่ยนว่งให้เพื่อภาวนา แ้่ถ้าหลังจากเสร็จการภาวนาแล้วท่านเข้าไปจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้เดี๋ยวสักพักก็ ส, สัทธายากโยมเห็นปฏิปทาอันมั่งากเขาก็จะมีบ่นให้ท่านอยู่ครับผมแล้วตอนพระอาจารย์อยู่กับหลวงตานี่ต้องถือทุตดวงวัดข้อไหนบ้างไหมครับอาจารย์ครับรก็ถือตามว่าดรามวัดก็ถือบินบาบเป็นวัดชั้นเนิบาดเป็นว่าฉันไม่เดียวเป็นวัดแล้วก็ไม่รับประารหลังจาก กลับมาจากบินต า, าบัตในเชื่องเข้าพรรษาอันนี้ก็เป็นแต่ไม่มีถ้าไม่ได้บังคับเรงเนสัตชิกถ้าแม่ที่ว่าไม่มีในสัตชิกแต่ท่านจะมีการอดอาหารแทนก็ใช้วิธีการออาหารเพราะนงตาลท่านบอกว่าท่านถูกเจริญกับการอดอาหารถ้าไม่ถูกเจริญกับการในสัตชิกก็เลยที่ว่าไม่มีในสัตชิกมีแต่การอดอาหารเพราะอาหารถ้ามันก็จะไม่ง่วงนอน ก็จะภาวนาได้เกือทั้งเกินอยู่ดี่ะ็รใช้การอาหารเป็นปอุบายสนับสนุนในการภาวนาส่วนเรื่องถือผ้าก็แล้วแต่ทยาศายซึ่งส่วนใหญ่ก็ถือตามท่านของตาต่างตาท่านก็ถือท่านก็มีชุดเดียวครับธรรมเนียมนี้มั้งผ้าป่ามันจะถือแค่ชุดเดียวเป็นธรรมดาแต่ผ้าบังสกวนนี้ก็ไม่มีแล้ว อาจารย์ครับจริงๆแบ็กกราวน์ข้างหลังนี่คือจีวร น, นี่คือของพระอาจารย์นะครับถ่ายรูปมาครับน ท, ที่เป็นแบ็กกราวน์นะครับคือคือจีวอนที่พระอาจารย์ใส่บินทบาตตอนเช้าคือชุดนี้นะมีหนังสือเล่มหนึ่งครับว่าใช้สีเข้ามาขอให้เราถ่ายรูปจีวอนเราส่งสีแมงเอ้าทาเป็นหนันสือเป็นปกหนังสืออ๋อครับผมครับอันนี้ได้ได้ฟังทุทกดวงประวัติชัดนะครับอาจารย์ครับ <ผ>จะได้นำไปกัน<ป>ยากเยอะมากจริ ง, งที่ว่าการทุดรงนี้จะต้องแบกขวดแบกอะไรนักก็ดเดินไปเชื่นสมัยนี้ก็เดินแต่ถ้าไม่เดินตามถนนนะถ้าไม่ได้ไปแล้วก็ไม่เดิ น, าานเป็นคาราวานเป็นเป็นกองทัพเดินกันไปเป็นขูดเนี่ยท่านต้างจะไปแค่องค์สององค์หรือไปองค์เดียวเพราะท่านเป้าหมายต้องการไปปิกเว่ยๆจริจิตนอกจากว่าถ้าเป็นภาคผู้ใหญ่แล้วมีภาคน้อยอยากจะขอติด ไปด้วยความที่ท่านก็เมตตาถือว่าเป็นการสอนวิธีทุดดงให้กับเขาไปและในคู่ว่าสืบทอดวิธีทุดดงกันแต่ถ้าจะเดินตามตามตามแนวทางของของป่าของที่ชาวบ้านเขาใช้เดินติดต่อระบากหมู่บ้านกันเพราะท่านจะไม่เดินตนามถนนไม่คอยแบกไม่คอยบวกรถขึ้นลดอะไรกันนะท่านแค่จะไ ป, ปไปไปเมฆขณะเดินก็ถือว่าเป็นการเดินจงครมไปไปในตัว กลับขอบคุณพระอาจารย์ครับวันนี้เดี๋ยวถามคําถามจากเพื่อนๆบ้างนะครับคุณจันทพรครับพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านสอนเรื่องทําจิตให้เป็นป่าเป็นวิเวกทําได้ทุกที่จะเป็นสิ่งที่สามารถทําได้ไหมเจ้าคะไม่รู้ไม่ทราบทำจิตให้เป็นป่าเป็นวิเวกทำยังไงออก็ต้อทําให้จิตมันสงบนั่นเอง ใช่ไหที่ถ้าถ้าถ้าสิ่งแวดล้อมมันไม่เป็นป่ามันก็ายากต่อการที่จะทําให้จิตให้เป็นป่าถ้าไปนั่งสมาธิในบารในผับนี่มันจะวิเมฆได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าสติดีสมาธิดีก็ไม่แน่นะไปนั่งสมาธิในบารในผับก็ได้นะครับ <c oughs> อันนี้ ถ้ามีสติมีกําลังมากก็สามารถทําจิตให้วิเวกได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยสถานที่วิเวกอย่างที่เคยพูดกายวิเวกจิตวิเวกแต่ถ้าเรามีสติมีกําลังมากในระดับมหาสติอยู่ที่ไหนก็ทําจิตให้วิเวกให้สงบได้ก็ไม่ต้องไปอยู่ในป่าก็ได้แต่ส่วนใหญ่ทําไม่ได้หรอก ค, รคุณเล่าเรื่องครับ การน้ำชาการครับความคิดที่มีน้ําหนักดึงดูดเราเข้าไปอยู่ในความคิดนั้นต้องทํำยังไงครับก็ลองดึงมันออกมาต้านมันด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธใช้สติหนึ่งถ้าเรามีสติเราสามารถดึความคิดไม่ให้คิดไปในทางนั้นได้บางครั้งม้มันคิดไปอีกทางชันให้มันคิดเถอะพุโทโธพุโทโธนึกคิดถึงบทสวดมนต์ไปก่อนแล้วถ้าเรามีกําลังมากขนานั้นค่คิดไปทางตายรักก็ได้อ น, นิจจังทุกขละนันตตา คิดไปในทางอสุภะก็ได้แต่ถ้าไม่มีสติดึง ม, มามันก็ดมันก็มันก็จะดึงม ไ, มไม่ได้คุณพีโกครับถ้ารูปขันเปลี่ยนไปเช่นผอมเป็นอ้วนเราควรพิจารณาเป็นอนิจจังหรืออนัตตาบังคับไม่ได้หรือพิจารณาแบบไหนก็ได้ครับกับขอบพระคุณครับก็พิจารณาตามความจริงครับมันเปลี่ยนแปก็บังอย่างผอมเป็นอ้วน มันก็เปลี่ยนแปลงใช่ไหมอ น, นั้นตาเราบังคับมันได้หรือเปล่าของอนนี้บางทีก็บังคับได้บางทีก็บังคับไม่ได้จากอน้นจากพอให้มันอนมันง่ายกว่าจากอวนให้มันเป็นผอมมันญากกาแต่ถ้ายังพยายามจริงๆก็ยังทาได้อยู่เนียมีศรัทธาญาติโยมลูกศิษย์ที่มาศึกษาธรรมะวพอเริ่มปฏิบัติเห็นคุณค่าของการอดอานารที่มันก่อนมีคนมาเชื่อคุณภูมิพ่อ เขาลดไปสามสิบกิโลลงท่านใดเขาลองมาฝึกปฏิบัติเขาเริ่มหมดอาหารเลยแล้วไปได้ท้สามสิบกิโลแต่มันต้องบังคับต้องใช้การบังคับพยายามต่เรื่องอนัตตานี่เราดูในเรื่องที่เราควบคุมบังคับไม่ได้มากกว่าเช่นเวลาเกิดอาการปวดท้องเจ็บท้องขึ้นมาเกิดอะไราอาการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเป็นมะเร็เป็นอะไรอย่างนี้ขึ้นมาอันเนี้นะพิจารณาว่าเป็นอนัตตาแล เพราะเาทำอะไรไม ไ, ไม่ได้ไม่มีใครอยากจะเป็นอะไรกันใช่ไหมแต่มันก็เป็นเป็นมาได้มันมีเหตุมีปัจจัยที่ทำให้มันเป็นอันนี้เรียกว่าหน้าตาคุณธีระครับรูปราคาอารูปราคะในสังโยตสิบเป็นเช่นไรครับและมีวิธีการละอย่างไรครับคือการยินดีในรูปรูปรูปประชาและอารูปประชารึงอย่างนี้อันนี้เป็นเป็น เป็นเรื่องของพระ อ, อนาคามีพร อ, อนาคามีในจิตของด้านจะสามารถเข้ารูปฌานเข้าอรูปฌานได้แล้ท่านก็เลยไปใช้รูปฌานอรูปฌานเป็นที่อยู่อาศัยให้ความสุขกับท่านแต่ท่านหลังจากมาพิจารณาก็เห็นว่ามันไม่เที่ยมเวลาเข้ า, ารูปฌานไม่ได้เวลาไม่ได้เข้าอรูปฌานใจก็จะรู้สึกหนหนึบนะครับใจที่เคยติดกับรูปเสียงกลิ่นรส เพาการอเริ่มรูปเสียงกลิ่นร้อได้ก็เปลี่ยนมาติดกับรูปประชานหรือว่ารูปประชานแทนเพราะการที่จะละรูปเสียงกลิ่นร้อนได้ก็ต้องมี่ยนเสียงทดแทนการใช้อาศัยรูปประชานหรือว่ารูปประชานกันแต El, <It> ่พอละรูปเสียงกิ <afternoon api> <Bilder. attrib infinity> ่นร้นได้แล้วเขมาติดรูปประชานหรือรูปประชานนี้ก็ต้องละรูปประชานหรรูปประชานต่อไปรม่เช่นนั้นก็จะไปไม่ถึงนิ่ผ่านครับ คุณพ k ครับกลับเรียนถามครับการชาร์จแบบมือถือหรือ iPad ในที่ทำงานถือว่าผิดศีลไหมครับโดยส่วนตัวเชื่อว่าผู้บริหารรู้แต่ไม่ได้มีกฎห้ามครับข้อถามก็ได้นายว่าผมขอใช้อ่านได้ไหมเธอเขาคำสบายใจถ้าเขาอนุญาตเขาว่าใช้ได้ไม่นเป็นไรนี่ก็ถือว่านําไม่ได้ไปลักขโมยไฟฟ้าเขาา้าแต่ถ้าเราไม่ขออนุญาตเลยก็จนะสงสัยนี ตามหลักของการรักษาศีล น, นี่ท่านบอกว่าถ้าสงสัยถ้าทำไปถึงแม้ไม่ผิดก็ถือว่าผิดเพราะไม่ควรจะทำในสิ่งที่เราสงสัยเพื่อแก้ความสงสัยถามให้รู้เรื่องก่อนว่าเขอาอนุญาตให้ใช้ได้หรือเปล่าถ้าอนุญาตใช้ได้ก็ใช้ก็ได้อย่างนี้ไม่ผิดแต่สงสัยแล้วทำไปนี่ถือว่าผิดนะถึงแม้จะไม่ผิดก็ตาม อาจารย์ตอนที่ผมบวชนะครับก็พระองค์อื่นท่านฉันชอโคโคโ็อกโกแลตกันนะครับผมก็เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะฉันชอโโ็อกโกแลตได้ด้วยเหรอผมก็เลยกลัวก็เลยไม่กล้าฉันเลยครับอาจารย์คือสงสัยไม่สงสัยนี้ห้ามฉันแล้วใช่ไหมครับจบใช่ถ้าสงสัยแล้วก็อย่าทำํำจนกว่าเราจะแก้ความสงสัยได้ ว, ว่าฉันได้หรือฉันไม่ได้จริงๆแล้วค่อยฉันแล้วค่อยแล้ว ค, ค่อยทําไปครับผ แล้วอย่างปนานะ้เป็นชโโ็อกโกแลตนี่ได้ไหมครับอาจารย์ครับคือปนานะนี่มันคือมีมีสิ่งที่พระเจ้าอนุ ญ, ญาตให้ฉันได้หลังจากเที่วัวนขณะปานะ้นี่ก็จะโข้งน้ําผลไม้ชนิดต่างๆที่ขนาดไม่ใหญ่มาําปั้นนะครับเราจะครั้นผลไม้ได้ต้องคันผลไม้นมชนิดที่ไม่ใหญ่มาําปั้นเช่นถ้าเป็นไตงโมงนี่ไม่ได้นะครับถ้าเป็นมะพร้าวนี่ไม่ได้สับปะรดนี่ไม่ได้ แล้วใหญ่กว่าคําปั้นได้พวกส้มพวกอ ง, งุน่นพวกแอปเปิ้ลอะไรพวกนี้แต่ต้องต้องกรองกราออกให้หมดเอาแต่น้ำนุน่นๆอันนี้เรียกว่าน้ําปัดนะอันนี้ญาตส่งให้ฉันได้ท่อนท่งเห็นว่าบ า, บางองค์บางท่านร่างกายอาจจะอ่อนเพลียเพราะไม่ได้กินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปนแล้วไม่เคยบวชใหม่ๆจะไม่เคยก็อนุญาตให้มี อาหารที่มีพลังนะให้มีเครื่องดื่มที่มีพลังงานคือมีน้ำตาลนอกากนั้นเราก็ยังอนุ ญ, ญาตของที่มีพลังงานเช่นน้ำอ้อยก็คือน้ำตาลนี่ครับน้ำพึ่งในการอนุญาตแล้วของที่มีพลังงานก็มีพวกเนยค้นเนยใสที่ในยข้นเนยใสทำไมก่อนเราไม่ทราบว่าเป็นอะไรกันก็เลยมาตีความกันว่าเนยใสก็คือเนยที่เราทาขนมปังเนยใส ส่วนเนยเขาเรียกว่าเนยแข็งไปคือชีสอ่าก็เลยกลายเป็นของที่ฉันได้เป็ น, เ, ปนเพนะสัชยานี่นอกจากเภสัช ท, ที่เป็นพวกที่อนุ ญ, ญาตให้นชนิดนี้แล้วยังมีเภสัช ท, ที่เป็นเป็นยาสามัญประจําบ้านที่ชาวบ้านใช้ฉันกันรับไว้กินรับประทานเป็นยาได้ไม่ว่าจะเป็น <c oughs> อะไรก็ตามถ้าเป็นยาก็เอามาฉันได้ ก็เลยพวกชานี่ก็ถือว่าเป็นยาได้เป็นยผงผงชามาต้มเอาหน้ามันหรือเป็นเป็นเป็นยาชากาแฟก็เลยกลายเป็นยาขึ้นมาผงโกโก้ก็เป็นยาโกโก้ก็ถือว่าเป็นยาเวลาคนไม่สบายสมัยก่อนเขาจะนิยมชงโกโก้ให้ดื่มใช่ไหะโกโก้ก็มาทำเป็นช็อกโกแลตได้เพราะกันนั่นก็เลยถือว่าอยู่ในกลุ่มของโกโก้ ก็กินได้แต่ก็ต้องไม่มีนมผสมอยู่ทันทีหรือไม่มีส่วนที่เป็นอาหารเช่นเช่นถ้ามีพวกถั่วชนิดต่างๆนี่ไม่ได้นะถั่วนี้ถือว่าเป็นพวกอาหารหรือผสมด้วยนมเขา้วม <Okay. S 2> ันมีหลายชนิดชนิดที่ช็อกโกแลตนมก็มีชาอกโกแลที่เป็นเขาเรียกว่าไม่มีนมผสมก็มีต่อมาช็อณโที่ไม่มีนมผสมมีแต่น้ําตาลอย่างเดี้ยวผสมกัน้ําตาลเพรามน้ําตาลนี่ก็ถือว่าเป็นยา โกโก้ผมโกโก้่าถือว่าเป็นยาแมื่อมาทําเป็นช็ากโกแลตก็ถือว่าเป็น ย, า, น า, น า, า, นยาฉันได้โอเคช่วงนั้นเลยอดฉันเลยครับเพราะว่าผ่าท่านหมอถ้าสงสัยก็อด <laughs> แต่ยาบางชนิดถ้าญาติโยมไม่รู้อันยาเกีก่ยวเป็นผักนะเพราะบางทีเป็นสมุนไพรที่ชาวบ้านเขากินเพื่อใช้เป็นการถ่ายหรือรักษาโรคท้องเมื่ออะไรต่างๆนี้ก็เป็นพวกผักหรือ เรียกว่าอย่าเรกาผักเลยเรียกว่าเป็นพืชชนิดต่างๆที่ก็เอามาเด็ดเอามาเอามากินเป็นยาได้อันนี้บางทีหมาว่าต่านี้จะเห็นพวกพืชเหล่านี้ใส่ในฐานแล้วถวายให้พระฉันกันญาติโยมที่ไม่เคยเห็นก่อนจะเชื่อพระฉันฉันข้าววันนี้ไงล <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ท่านก็เอามาฉันเป็นยาฉันกับพวกสมอนดองแล้วก็มี มีน้ําตาลเกลือน้ําตาลก็ฉันได้เกลือก็ฉันได้ก็ทำเป็นเป็น <c oughs> เป็นน้ําจิ้มไปจิ้มหัวอ่าจิ้มไปครับผมคุณคุณผัดพักนะครับขออนุญาตสอบถามค่ะทําบุญออนไลน์กับเดินทางไปทําเองแบบไหนได้บุญมากกว่ากันคะบุญที่ได้จากการเสียสละนี้เท่ากัน <c oughs> เสียสละร้อยหนึ่งด้วยการออนไลน์หรือด้วยการเดินทางไปนี่ได้บุญเท่ากัน บุญที่ไม่ได้ก็เกิการเดินทางต้องมีความเพียรมีความพยายามอันนี้บุญบุญที่เยอะเกิดจากการทําความเพียรนี่จะไม่ได้เพราะไม่ได้ไปเทียงแต่กดนิ้วอย่างยใช้นิ้วกดแต่ถ้าไปเดินทางไปที่ว่า น, นี้จะต้องใช้ความเพียรพยายามเดินทางไปอันนี้บุญส่วนนี้จะไม่ได้แต่การเสรียสละเงินจานวนเท่ากันก็จะได้หบุญเท่ากัน คุณสุพิญยาครับช่วงโควิดการไปปฏิบัติธรรมได้ยากทั้งการนอนและบางที่ก็ยังไม่เปิดเต็มรูปแบบอยากถามว่าการจะปฏิบัติที่บ้านให้เหมือนกับที่เราอยู่สถานที่ได้อย่างไรคะจิตมันไม่เหมือนอยู่ในสถานที่จริงคะก็ทำเท่าที่เราทำได้เช่นถ้าเราสามารถหาห้องที่เราอยู่คนเดียวได้หรือแยกแยกบ้านไปอยู่อีกบ้านหนึ่งแล้วอยู่คนเดียวได้อันนี้เราก็สามารถทำ บ้านให้เหมือนกับวัดได้เพราะสถานที่ปฏิบัติตัวสําคัญที่สุดก็คือความวิเวกการอยู่ตามลำพังไม่มีใครมามบกวนไม่มีใครมายุ่งเกี่ยวด้วยดนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปอยู่ที่วัดแต่ถ้าได้อยู่ที่ที่เราอยู่คนเดียวไม่มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราได้ตลอดเวลาบางบางท่านก็มีคอนโดของตัวเองก็ปฏิบัติในคอนโดก็ได้หรือในคอนโดคนเดียว ก็ปฏิบัติในคอนโดแต่ก็ยังไม่เหมือนว่าพอในคอนโดมันยังมีเครื่องเครื่องนอกกิเลนอยู่เช่นตู้เย็นทีวีอะไรต่างๆอยู่เพื่อามนวยความาสะดวความสบายต่างๆอยู่ถ้าอยากยาให้มันเป็นแบบเหมือนคล้ายๆว่าก็ถอดฟิวออ ก, กตัดคัทเอาออกไม่มีไฟฟ้าใช้ในในบ้านในในคอนโดภายในในช่วงที่เราจะปฏิบัติใช้เทียนไปใช้ไฟฉายไป เหมือนกับตอนที่ไปอยู่ที่วัดป่าก็าต้องทำแบบนี้มันถึงจะใกล้เคียงกันไงั้นบรรยากาศมันจะเเห็นทีวีหรือว่าอนที่อยากจะกดดูไม่ได้เห็นตัวเย็นเนย อ, อยากที่จะเปิดดูไม่ได้คุณกิ๊กครับเคยนั่งสมาธิแล้วมีแสงสว่างข้างนอกแสงนั้นค่อยสว่างขึ้นชัดมากเหมือนแสงอาทิตย์ หนูเลยค่อยๆออกจากสมาธิมาดูจิตสงสัยว่าแสงนั้นคืออะไรเป็นอันตรายกับเราไหมแล้วถ้าต่อไปเกิดเหตุแบบนี้อีกหนูควรออกจากสมาธิไหม่คะกลับเียนถามอาจารย์ครับเวลานั่งสมาธินี้ไม่กวรที่สนใจกับอะไรที่ปรากฏขึ้นมาให้รับเลยเลยเพรานะมันเป็นส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการปรุงแต่งของจิตนะจิตเป็นการปรุงแต่งของเรานี้ขึ้นมาเพราะจิตเผลอสติเพระฉนั้นต้องมีสติคอยให้อยู่ครับ พุโทโธอย่างเดียวแล้วอยู่กับการดูลงหายใจอย่างเดียวแล้วอาการต่ตางๆจะไม่ค่อยปรากฏขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเผลอแล้วมันปรากฏขึ้นมาก็อย่าไปตามรู้อย่าไปสนใจให้กลับมาทันทีไป เ, เพราะรู้นะว่าเราเผลอแล้วอย่าไปตามรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้กลับมาที่องค์ภาวนาของเราถ้าเราใช้คำบริกรก็กลับมาบริกรรพุทโธพุทโธเรา ถ้าเราการใช้การดูลงองหายใจก็กลับมาดูลงหายใจต่อถ้ามีการบริกรรมหรือมีการดูลองอย่างต่อเ น, นื่องนี้ไม่จะไม่มีอะไรปรากฏขึ้นเลยตั้งใจจะทำให้จิตสงบวางบา่างและเย็นสบายตามลำดับต่อไปคุณจันทรพรครับดิฉันใส่เสื้อผ้าเก่าเย็บซ้ำแล้วซ้ำอีกมีความสุขที่ได้อยู่อย่างพอเพียงกินอาหารวันละมือ้อนอนกับพื้นทาสมาธิอย่างที่พระอาจารย์สอน อยากให้ท่านแนะนําต่อไปเจ้าค่ะออกพรรษาปีนี้จะไม่ออกจากศีลแปดเจ้าค่ะก็ปฏิบัติให้มากขึ้นถ้าปฏิบัติได้ทุกวันปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนหลับได้อันนี้มีตั้งเพิ่มปริมาณชั่วโมงของการปฏิบัติเหมือนชั่วโมงบินเ้ลาเราจะบินไปต่างประเทศเนี่ยถ้าเราบินน้อยมันก่อจะไปถึงจุดหมายปลายทางก็ใช้เวลามากแต่ถ้าเราบินมากเดียวันเดียกวยกว็ถึงนะครับงั้นก็ต้องเพิ่มเวลาบิน เพิ่มเวลาการปฏิบัติถ้าเราเพียงแต่ปฏิบัติเพียงแค่ว่าละชั่วโมงสองชั่วโมงนี้เราก็ต้องเพิ่มเพิ่มด้วยการเจริญสติตั้งแต่ตื่จนหลับให้ได้นั่งสมาธิให้มากเท่าไหร่ได้ยิ่งดีสลับกรรงงงับการเดินจงกมสลับกับการควาเทศทําทํารมในบ้างก็ได้ถ้าเรายังต้องการความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติอยู่เอาแต่เรื่องปฏิบัติอย่าไปสนใจกับเรื่องอื่นเอาแต่เรื่องศีลสมาธิปัญญาเป็นหลั ศึกษาเรื่องศีลสมาที่ปัญญาเป็นหลักศึกษาอุบายวิธีของการภาวนาต่างๆการโหดอาหารการถือเนสันชีกอะไรต่างๆนี่อ่านหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติที่อยากจะแนะนําก็คือหนังสือปฏิปทาพัฒธนกรรมฐานของหลวงปู่มั่นสายหลวงปู่มั่นเขียนโดยนลวงตามหาบัวซึ่งสามารถไปดาวน์โหลดอ่านหนังสือนี้ได้ทั้งในเว็บไซต์ของหลวงตา .com หรือในในเว็บไซต์ของพระสุชาต .com คิดว่าก็มีอยู่ หรือไม่งก็ไปทีกรรมฐ า, านะ com. นะดทหรืออาจจะมีเออมีอยู่น่าจะมีแล้วเ อ, อ, นอหนังสือนี่มาอ่านเป็นหนังสือที่บหมะกับผู้ปฏิบัติอย่างยิ่งเพราะท่านจะเอ า, าวิธีปฏิบัติของครูบาอาจารย์ต่างๆมามาเล่าให้ฟังบาอาจารย์องค์นี้ท่านต่อสู้กับความวกลัวยังไงท่านไปต่อสู้กับอะไรต่างๆอย่างไรมีวิธีแยบยลหลายวิธีด้วยกันอ่านแล้วมันจะเกิดความ เขาเข้าใจดีขึ้นที่เกี่ยวกัการปฏิบัติถ้าอยากจะเรียนรู้เพิ่มากขึ้นก็นแนะนําหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีที่สุดในคู่มือของการปฏิบัติได้อย่างดีคุณบิ๊กกี้ครับเขอาอกาศเรียนถามเรื่องทําไมการนั่งสมาธิถึงได้บุญรวมไปถึงจุดไหนถึงได้บุญแล้วการทําสมาธิถึงจุดไหนได้รับบุญระดับไหนครับคือบุญก็คือความสุขใจ ความสุขใจมันเกิดขึ้นได้หลายวิธีด้วยกันเวลาเราทําทานเราช่วยเหลือคนอื่นเราเห็นเขาได้รับความสุขเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมาอันนี้ก็เป็นบุญเระดับทานนะเวลาเรารักษาศีลเราไม่ไปเบียดเบียนใครเราไม่ไปชอบโกรใครเราไม่ไปอ่าทรยศุต่อคู่คู่รักของเราเราไม่ไปแอบมีคนนอกพอเราคิดถึงเรื่องราวหล่านี้แล้วเราก็เกิดความสุขใจขึ้นมา ก็มี <Okay. S 1> คนนั้คนนี้มาชวนไปนอนด้วยแต่ความความที่เรามีสีเราไม่เอามานจะนอนกับคู่ครองของเราเพีคนเดียวพอเราทําได้เราจะรู้สึกภูมิใจมีความสุขใจอันนี้ก็เป็นบุญที่เกิดจากการรักษาสีซึ่งอาจจะมีน้ําหนักมากกว่าบุญที่ได้รับจากการทําทานและบุญที่จะมีน้ําหนักมากกว่าการทําทานการรักษาสีก็คือการการทําใจให้สงบนี่การนั่งสมาธิก็ทําใจให้สงบ พอใจสงดแล้วจะได้บุญขั้นสูงสุดเลยมันเป็นความสุขขั้นสูงสุดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงคือบุญที่เกิดจากการทําใจให้สงบนี่เองอย่าที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ว่านัตติสันติประลังสุขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสุกไม่มีสุขที่เนีี่่ททสูงสุดก็คือสุขที่ได้จากสมาธิเนีือเพียงแต่ว่ามันยังเป็นสุขชั่วคราวเท่านั้นเอง ยังมีสุขที่ดีกว่านี้อีกระดับแต่เป็นสุขแบบเดียวกันแต่เป็นสุขแบบถาวรสุขที่เกิดจากการใช้ปัญญากำจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจเพราไม่มีกิเลสตนะัณหาแล้วสุขที่ได้จากความสงบนี้จะเป็นความสุขที่ถาวรไม่มีมันเสื่อมไม่มีวั น, ส, วนสุขที่ได้จากสมาธิยังเสื่อมได้ออกจากสมาธิสักแป๊บเดียวเนก็หายไปแล้วต้องกลับเข้าสมาธิอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเป็นประดับ นิพพานระดับที่ปัญญาใช้กำจัดแล้วพอไม่มีกิเลสปัญหาลงในใจแล้วก็จะได้ความสุขที่ถาวรเป็นประวังสุขขัง น, นี่คือบุญระดับต่างกันน้ำหนักต่างกันถ้าจะเปรียบเทียบบุญที่ได้จากทางก็าจจะเป็นเหมือนธนบัตรใบละห้าสิบก็แล้วกันจากศีก็าได้ใบละห้าร้อยหรือฮะหรใบละร้อย ระระดับสมาธิก็ได้ใบละห้าร้อยพอระดับปัญญาก็ได้ใบละไท ย, ย, ยครับความสุขใจต่างกันคุณราวันครับตอนนี้เทศกาลกินเจก็จะมีคนกินเจมาบอกกินเจเอาบุญอยากถามว่าการกินได้บุญไหมครับเพราะเขาบอกว่าช่วยชีวิตสัตว์ไม่ให้ถูกฆ่าครับการกินเนี่ยมันไม่ได้บุญไม่ได้บาปไม่เป็นบุญไม่เป็นบาป ถ้าเป็นบุญเี้ยพวกวัวควายมันได้บุญมากกว่ามนุษย์ต้องนานาเลยนะเนื้สัตว์ที่มันกินแต่ผักนี่มันกินผักกินง่ายมันต้องมันได้บุญมากกว่ามนุษย์เรามนุษย์หนาปีหนึ่ ง, งยังกินเจแค่สิบวันนั่นเองจะไปชู้พวกวัวควายได้ไหรือยังถ้าถ้ากินถ้ากินเจได้บุญใช่ไหมไม่ได้บุญหรอกกินเนื้อสัตว์ก็ไม่บาปถ้าเราไม่ได้เป็นคู่ฆ่าเนื้อสัตว์ให้เขาฆ่าเนื้อสัตว์นั่นมาให้เรากินจะบาปก็ต่อเมื่อเราไปค่า แต่ไม่แบบถ้าเวลากินเนื้อสัตว์ที่เขาฆ่าแล้วมาขายที่ตลาดอย่างนี้เราไปตลาดเห็นมีเนื้อสัตว์แล้วก็ซื้อมาแต่เราไม่ได้สั่งเขาไว้ล่วงหน้านะว่าพรุ่งนี้เอาไก่สองตัวถ้าอย่างเงี้ยบาวเขาสั่งให้เขาไปฆ่ามาขายให้เราแต่ถ้าคนคนฆ่าก็มีอาชีพอย่างนี้เขาต้องนำโลกชีพของเขาด้วยการฆ่าอันนี้ควรเป็นเรื่องของเขับเราไป็นบงังคับไปห้ามเขาไม่ได้ใช่ไหม กปล่อยไปถ้าเขาเอามีขายแล้วก็ซื้อถ้าเขาไม่มีขายแล้วก็ไม่ซื้อเท่านั้นเองยังไงขอให้เข้าใจว่าการกินเจนี้ไม่ได้เป็นบุญไม่ได้เป็นบาปเป็นเหมนกับการกินอาหารทั่วๆไปกินเจแล้วตกยุงกับการกินเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วแต่ไม่ตกยุงนี้คนที่กินเนื้อสัตว์นี่กลับได้บุญมากกว่าคนกินเจแล้วตก บ, บุญตกยุงนะเพราะตกยุงมันเป็นการผิดศีแลแะฆ่าสัตว์ตัดชีวิต แต่คนกินเนื้อสัตว์แต่ไม่โตอยูน่นี้ไม่ได้ทํำบาปคุณชุติมาครับทํายังไงถึงใจถึงจะนิ่งท่องพุทโธก็ไม่นิ่งขอแนวทางค่ะท่องน้อยปไปเลยลองท่องไปสักชั่วโมงดูสิท่องไปนิ่งรับประการไดม้มาเอาคืนไปได้แต่สินคาชนีก็รับคืนเอาพุทโธก็คืนได้แต่ถ้าสามารถพุทโธได้ตลอดอย่างชั่วโมงโดยไม่ไปคิดเรื่องอะไรเลย คล้ายๆกันครับขอเคล็ดลับให้มีสติต่อเนื่องครับเนี่ยต้องสติต้องพุโทโธไปทั้งวันทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนหลับไปถ้าไม่ได้ถ้าทําไม่ได้ก็คอยผูกใจไว้ให้ติดอยู่กับร่างกายตลอดเวลาก็ได้ให้เฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทําต่างๆของร่างกายในทุกยิริยาวในทุกการกระทําไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องอื่น ถ้าทํานี้ได้ก็จะมีสตินั่งสมาธิห้านาทีจิตก็รวมเป็นสมาธิได้คุณวิทยาครับนิวรห้าเป็นอุปสรรคของการเจริญสมาธิมีอะไรบ้างและจะ ล, ละหรือกำจัดได้อย่างไรครับก็หนึ่งการมาฉันท์ธาความยินดีในเรื่องเสียงกิน่นเลเช่นนั่งสมาธิไปตักพักเป้ยวปากขึ้นมาอยากจะดื่มอยากจะกินอะไรขึ้นมา ก็หยุดสมาธิไปการขอพักก่อนเดี๋ยวเราไปกินกาแฟทักถ้วยก่อนอนนี้เรื่อกระเล็กอุปสรรคการมาชัานทะหรือบางทีก็อยากดูเช่นช่วงนี้อาจจะมีบอดคินขับมีอะไรให้ติดตามพอถึงเวลามีการถ่ายทอดสดเนี่ยแทนที่นั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้เด๋ยต้องดูบอดก่อนอันนี้เรียกว่าการมาชันทะความยินดีในรูปเสียงกลิ่นเรต้องตัดให้ได้ตามด้วยอะไรด้วยการถือศีลแปดเนี่ย แต่จะห้ามไม่ให้ดูพวกละไม่ให้เสกพวกพวกรูปเสียงกลิ่น้สต่างๆอันนี้ก็ถือสินแตะได้ก็จะช่วยละได้ข้อสองความเมังตาสงสัยในพ ร, ระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่สิ่งที่พระเจ้าส อ, สอนเป็นจริงหรือไม่ปฏิบัติน่าจะได้ขมอย่างที่พระเจ้าสอนหรือไม่อันนี้ธรรมศึกษาพระธรรมคําสอนศึกษาจากพระไตรปิฎกศึกษาจากพระอริยสงฆ์ พระสาว่าพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างที่เมื่อกี้แนะนําให้ไปศึกษาหนังสือปฏิบัติธรรมพระเทวรูตคำมัธยนต์ตอนศึกษานั้นมันจะมีศรัทธาในความเชื่อม่นว่าออสิ่งต่างๆที่พระเจ้าสอนสิ่งต่างๆที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนี่มันมันดีจริงท่านไม่มาโกอกเราท่านไม่มาทนไม่มาบวชเพื่อที่มาทำอารรชีโกหกเร า, เราพวกเรานั่นไม่เดียว่าสร้งฐ า, าเงินทอง ให้มาแสวงหาการหลึกพ้นมิมุติหลุดพ้นจากการเงินม่างถ่ายกันท่านก็ได้ได้หพ้นกันเป็นจํานวนมากพอได้ศึกษาประวัติวิธีการดําเนินการปฏิบัติการสอยของท่านมันก็จะทําทให้เราไม่สงสัยในคำพูดประทับประสมในระดับนี้ข้อสามก็คือความง่วงเอาจมเอานอนอันนี้ก็เกิดจากการรับประทานอาหารมากเกินไปหรืออยู่ในที่ที่มันปลอดภัย ถ้ า, ากินอาหารมากเกินไปก็ให้ถือศีลแป้งก็ถือไม่กินหลังจากเที่ยงวันไปแล้วพอบบไม้มันก็จะไม่หิวมันจะไม่ง่วงนะก็สามารถภาวนาไปได้ถึงตอนก่อนนอนเลยถ้ามาักินอาหารเมื่อเย็นอีกมื้อหนึ่งเนี่ยอ๋อเยวพอกินเสร็จก็าภาวนาไม่ได้นะง่วงนะเข้านอนดีกว่าต้องถือศีลแป้งเนี่ยขอนอาหารอดอาหาร ในถ้าผ่อนอาหารไม่ได้อดนอาหารไม่ได้ก็ไปอยู่ที่มันน่ากลัวไปนั่งสมาธิในป่าช้าไปนั่งสมาธิแถวบริเวณเวนเมนก็ได้เวลาที่ก็ไม่มีงานเผาไปนั่งที่หน้าเมนบนเมนอะไรก็ได้นั่งคนเดียวดอนคืนเงียบๆไม่มีใครไปรบกวนอันนี้รับรองได้าไม่ม่วงแน่นอน <c oughs> แก้ความมั่งนอนแก้ความเกลียดคานได้เพราะไปอยู่ที่น่ากลัวแล้วมันต้องขยันพุดโทรม ถ้ามันไม่พูดโธดเดี๋ยมันผีมาหลอกนะี่ยคิดปรุงแต่งขึ้นมาเองแต่ถ้ามีพูดโธพูดโธพูดโธแล้วผีไม่มาอันนี้ก็วิธีแก้การความโง่เงาเอา น, อน่อนก็ต่อมาก็เรื่องความโกรธบางทีจะนั่สมาธิก็ไปคิดถึงเรื่องที่คนนะั้นคนนี้พูดไม่ดีกับเราเมื่อเช้ า, ชานี้ทําไม่ดีอะไรกับเราโกรดแข้งขึ้นมาภาวนาไม่ได้ใจไม่ยอมสงบ อันนี้ก็ต้องใช้เมตตาให้หอภัยต้องเจเริญเมตตาบดแผ่เมตตาเขาให้สัตว์ทั้งหลายจำอย่ามีเวรกันเถิดเราไม่มีเวรกับเธอนะเนาะเร้อภัยกับเธอเนาะเราทาอะไรที่ทําให้เราเสียหายเราจะไม่ถือทอดกดเคกินเธอพอเรายกถวษใเขาได้ใจเราก็เบาหายโกลธเราก็กลับมาภาวนาได้ข้อสุดท้ายจิตฟุ้งซ่านคิดเรื่องตัวเองคิดจนพขาไม่มีสติ ต้องมันฝึกสติต้องมันเจรพุดธโทพุทโทตลอดเวลาก่ที่จะมานั่งสมาธิก็จะควบคุมความคิดปูนแต่ได้ไม่ให้คิดปูนแต่กันฟุ้งซ่านขึ้นมาอันนี้คือนิมวต์ทั้ง5และวิธีกำจัดันโดยย่อคุณภูมิครับการมาสัการครับการเดินพรมอ๋อคุณภูมครับ3าปสิบกเนี่ยครับผม การเจริญเมตตาบวกอุเบกขาในแง่ความรู้สึกนึกคิดการพูดและการกระทําอย่างสม่าเสมอมีส่วนช่วยในการลดอัตตามานะได้มากน้อยเพียงใดครับอุเบกขาเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ลดมานะลดอัตตาเพราะอุเบกขาเนี่ยจะจะรู้เฉยๆจะสั่แต่ว่าแล้วไม่มีการตอบโต้ด้วยความรักชาญโกลงเห็นการเจริญอุเบกขานี้ต่างจากการเจริญเมตาากกาเเมตา จะเรียนอุเบกขาต้องจงเรียสตินั่งสมาธิให้เข้าสู่ฌานสีให้ได้ถึงจะได้อุบเบกขาพอมีอุบเบกขาแล้วการเจริญเมตตาก็จะง่ายเพราะเวลามีอุบเบกขามีความสุขก็เราเวลามีความสุขมันก็จะแผ่เมตตาแบ่งความสุขให้กับผู้อื่นได้แต่ถ้าเวลามีความหิวมีความโลภความอยากมันแผ่ไม่ออกแผ่เมตตาไม่ออก ยังต้องทำใจให้เป็นอุเบกขาก่อนแล้วเมตตากรุณามุนีตาจะเป็นบริวารตามไาโดยอัตโนมัติคุณสุปราครับฝันว่าโลกกำลังจะแตกรู้สึกว่าตัวเองกำลังจะตายหนูได้นึกถึงคำสอนของพระอาจารย์ว่าให้รู้เฉยๆแล้วมันมืดไปเลยหนูรู้สึกตัวตื่นรู้สึกหายใจไม่รู้ทำไมในฝันถึงคิดได้แต่หนูยังกลัวตายอยู่นะคะควรคิดให้ได้แบบนี้ไหมคะ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หนูจะต้องฝึกไปเรื่อยเพื่อไม่ให้กลัวตายคือด้วยการยอมรับว่าความตายเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และผู้ที่ตายก็ไม่ใช่เราผู้ที่ตายเป็นคนรับใช้เราร่างกายนี้เป็นเบาเราเป็นไดเราเป็นใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรตา่างๆเราต้องแยกตัวเราออกจากร่างกายด้วยการฝึกสมาธิถ้าเราฝึกสมาธิด้าใจกับร่างกายจะแยกออกจากกัน เราจะได้รู้ว่าเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรใจไม่ได้เป็นใจกับร่า ง, งกายแล้วเราก็จะปลงได้น้อยปล่อยให้ร่างกายตายได้เมื่อเราปล่อยให้ตายแล้วต่อไปเวลาเราฝันฝันเวลาเราไปเจอเหตุการณ์กลัวเราก็จะเฉยได้เราจะไม่รู้สึกตื่นเต้นตกใจหวาดกลัวอะไรอย่างใดแต่ถ้าเรายัางฝันร้ายฝันว่ายังกลัวอ ย, อยู่แสดงว่าเรายัางปลงไม่ได้ยังตัำไม่ได้คุณรัญญาครับ รุ่นน้องที่ทํางานหนังได้ฟังผลสอบจบปริญญาเอกของหาไลในต่างประเทศว่าสอบไม่ผ่านร้องไห้เสียใจมากตั้งใจเรียนห้าปีได้แต่ปริญญาโทแต่ไม่ได้ปอเอกจะช่วยน้องอย่างไรคะเขาขอร้องให้เราช่วยเขาหรือเปล่าแต่ก็ไม่ขอร้องก็ไม่ลงไปช่วยถ้าขอร้องก็บอกช่วยไม่ได้ไเพาเป็นเรื่องของเธอเธอเรียนเนี่เธอแต่ก็ต้องไปเพี ย, ยาพยายามถ้ายังไม่ได้ก็ทําต่อไปก็ได้เรียนต่อไปก็ได้ บอ ก, ก็ช่วยบอกเขาว่าความพยายามอย่างไหนความําเร็จอย่างนี้นั่นแต่ถ้าเขาไปขอร้องก็ไม่ต้องไปช่วยเขาหรอกครับคุณภูมิครับรูปราคะและอารูปราคะต่างกันอย่างไรมันชอ บ, อบ ก, าการอยากได้รูปปัจจัยกัารมปราคะอารุป ร, ราคะคือการอยากได้อรูปปัจจัยแล้วก็การมาราคะคือการอยากเสกการคำร า, ราคา ค, คือความอยากใน อยากเสษกเรูปประชานก็อรูป ร, ราคะอยากเสษอารูปรัจานกรูป ร, ราคะอยากเศษกายก็อรูปาการมราลาคะครับวิธีตัด ก, กิเลสด้วยก่อนเมื่อกี้คุณบาไม่ได้อ่านจบนกลับไปอ่านให้ให้หมดเ น, นื้อผ่านไปแล้ววิธีตัด ก, กิเลสด้วยปัญญายแบบฐาวจากลูกบานั้งมุบัพิจารณาอพิจารณาตายรักให้ พอรูปประชานารูปประชาก็เ <Ox> ป <ide> ็นไตายละเป็นของไม่เที่ยงเราไปสั่งให้มันเที่ยงไม่ได้นั่งสมาธิคนเดียวแล้วสั่งให้มันสงบไปตลอดไม่ได้พอจากสมาธินามันก็เสื่อมอยากได้ใหม่ก็ต้องไปเข้าสมาธิใหม่ต้องเจริญสติใหม่เพราะฉะนั้นมันก็ถ้าอยากให้มันเที่ยงมันก็ไม่เที่ยงมันก็จะทําให้เราทุกข์งั้นวิธีที่ดีสุดก็อย่าไปเสพมันอย่าไปอย่าไปใช้มันเป็นเครื่องมให้ความสุข คุณชวีวันครับกลับเรียนถามว่าการที่ลูกใช้วาจาที่แข็งกร้าวเป็นประโยคดูถูกทําให้ผู้เป็นแม่น้อยใจเกิดโทสะตอบโต้ไปทางน้ําตานองหน้าเป็นแบบนี้ลูกจะเป็นบาปไหมคะคือการทะเลาะกันมันไม่ดีเนี่ยก็จะเทว่าจะเป็นบาปทางวาจาก็ได้ใช่ก็คือเราไม่เราไม่อบรมสั่งสอนเขาตั้งแต่ยาวไวัให้เขามีรู้จักความกระทันอยู่กตเวทีให้เขามีความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ ไมีมครับเพราะว่าผู้มีกุศลอันนี้เป็นความบกพร่องของเราที่เราไม่สั่งสอนถ้าเราสั่งสอนเองไม่ได้เราก็ต้องส่งไปให้อยู่กับผู้ที่ก็มีสั่งสอนกันให้ไปบวทเนรไปอยู่กับพระคลาสได้สอนได้สอนเรื่อนไปเรียนตามโ ร, รงเรียนวิถีพูดอย่างเช่นโรงเรียนผู้รู้ยศสสอนและมีการสั่งสอนในเ่อาวเหล่านี้ให้มีสัมมาคารวะให้มีความกตัญญูกตวเวทีต่อผู้มีบพคุณ ก้าเขาได้ถูกสั่งสอนแล้วโอกาสที่เขาจะก้าวแล้วตอผู้เป็นบิดาบรรดา น, า น, นีนจะยากแต่ก็ไม่ใช่สุดวิสัยถ้าเขาเป็นชนิดท้าสัญญาณเขาเป็นอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้แล้วกันแต่เราก็ใช้บทเรียนนี้มาสนใจว่าการไปตอบโต้ก็ไม่ดีอยู่ดีอย่าไปถือว่าเราเป็นแม่แล้วเขาจะก้าวแล้วเราไม่ได้เราต้องยอมรับว่าเราบ้าแล้วเข้าในสายตาของ ของเขาบางทอาจจะเป็นขี้ข้าเขาก็ได้เด็กสบายนี้อาจจะคิดว่าพ่อแม่เป็นขี้ข้าต้องเลียเ้ยงดูเขาให้เจริญเติบโตขึ้นมาถ้าเขาอยากจะด่าเขาอยากจะว่าเขาก็พูดได้เพราะไม่มีใครสั่งสอนเรื่องราวนี้มันไม่สั่งไม่สอนมันก็เหมือนหนังสัตว์เราชานาเนี่ยสัตว์เราชานมันก็ไม่รู้พระคุณของพ่อของแม่เวลามันจะกลับพ่อกับแม่มันก็กลับได้เวลามันกดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําใจ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเป็นร่วมก็ไม่เป็นร่วมใครนี่ก็พูดไม่ดีก้ า, าแล้วเราเราอยากไปถือสาเข้าดีที่สุดแล้วก็ทําตัวเราคิดว่าเราเป็นแจ้าเราที่ว่าเราเป็นขี้ข้าเราเป็นคนใช้แล้วเรายินดีรับกับการพูดการกระทําตก่างของผู้อื่นได้เราไม่ังไม่ต้องตอบโต้อะไรอกับเแล้วเราไม่ต้องมาเสียใจเลยพายเพราะตอบโต้กันแล้วตอไปเมื่อไหร่จะนัดว ไ, ไว้ก่อนนั้น พูลา ก, กันไปแล้เดี๋ยวต่อไปอาจจะลองม้านมือต่อไปก็ได้คุณวิทยะครับการบรรลุธรรมขั้นพระอรหันต์ต้องเจริญวิปัสสนาเพียงอย่างเดียวใช่ไหมครับไม่หรอกต้องเจริญสมถะต้องมีศีลต้องมีศีลต้องมีศีล ส, สมาธิปัญญาถึงบรรลุพระอริยบุคคลทุกขั้นต้องมีทั้งศีลต้องมีสมาธิและปัญญาหรือวิปัสสนา คุณพีโก้ครับขอเล่นถามเพิ่มถ้าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเราควรช่วยบ้างหรือวางเฉยเพราะวิบากกรรมรอให้ผู้กระทําชดใช้กับกับอากุลครับช่วยได้ก็ช่วยบางทียังพอจะช่วยเหลือได้ก็ช่วยไปแ ต, แต่ถ้าช่วยเหลือไม่ได้เช่นเขาถูกสารตัดสินประหารชีวิตนี่ช่วยไม่ได้แต่ถ้าก็ยังถูกจําคุกอยู่นี่ก็อาจจะไปช่วยไปเยี่ยมเขาส่งอาหารไปซื้อข้าวซื้อของไปฝากเขาอะไรนี้ มาช่วยถ้าที่เราจะช่วยได้ตามวิสัยของเราถ้ามันสุดวิสัยก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามตามครั บ, ค, รบคุณชิดครับทุกสิ่งคืออนัตตาเกิดดับแล้วเราคืออะไรครับระหว่างสติกับจิตเราก็ไม่มีเราเป็นสมมุติเกิดขึ้นจากความคิดปรุงแต่งของจิตเท่านั้นเองเป็นเหมือนอเล่นละคร ล, ล um. ครนี้เป็นของจริงเลยเวลาเขียนคนที่แต่งนิยายนี่เขาแต่งในายกนายขอในายนู่นนายนี่ไม่เรื่องปุนแต่งันเป็นเรื่องนิยายเราก็เป็นตัวนิยายตัวหนึ่งที่จิตปูนแต่งขึ้นมาแต่เราเชื่อมันกัะทั่งเราฝังฝักอยู่ในหัวใจว่าเรามีเราเป็นอย่างนั้นตามที่เราปูนแต่งขึ้นมาโดยธรรมชาติแเราเวลาเราหยุดคิดปูนแต่งเราถึงจะได้เห็นตัวจริงแท้ที่แท้จริงก็คือตัวรู้เท่านั้นเอง จิตคือตัวรู้ตัวคิดพออยู่คิดก็นแล้วาตัดตัวรู้ต่างอตัวเดียวคุณอนัญญาครับถ้าป่วยมากแล้วขอให้หมอฉีดยาให้หลับไปเลยถือเป็นการฆ่าตัวตายไหมคะถ้ามีเจตนามีความตั้งใจให้ร่างกายตายแต่ถ้าฉีดเพื่อแค่ให้หลับบรรเทาปวดนี้ได้ใช่ไหมครับาถ้ายังไม่ตายก็ได้เป็นการรักษา คุณวิทยะครับเจโตวิมุตหมายถึงอะไรและปัญญาวิมุตหมายถึงอะไรครับคือคนที่ปฏิบัตินี้จะมีความถนัดต่างกันบางคนถนัดทางสมาธิมากกว่าทางปัญญาเขาเรียกว่าเจโตวิมุตบางคนที่มีความถนัดทางปัญญามากกว่าทางสมาธิก็เรียกว่าปัญญาปัญญาวิมุตแต่ทั้งสองทางนี้ต้องมีทั้งสมาธิทั้งปัญญาเป็นผู้สนับะนุนให้ให ให้หลุดพ้นได้ให้วิรุษได้ต้องมีทั้ง ส, สมาธิทั้งปัญญาแต่ความสามารถความชํานาญอาจจะต่างกันเหมือนกับเวลาที่เรียนวิชาต่างๆคือเราเรียนหมอเรียนแพทย์บางวิชาหมอจะได้คะแนนดีบางวิชาจะได้คะแนนไม่ค่อยดีว่าคุณหมออาจจะไม่ถนัดวิชาทังนี้แต่ถนัดจกวิชาทางหนึ่งอันนี้ก็แบบเดียวกันและคนผู้ปฏิบัตินี้ บ า, บางท่านจะถนัดทางสมาธิมากกว่าทางปัญญาบางท่านจะถนัดทางปัญญามากกว่าทางสมาธิแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้สอบทานทั้งสองทางเวลาสอบสมาธิก็ได้ฌานสี่เวลาสอบทางปัญญาก็เห็นตายรับเห็นเนื้ยะสัตวสีอาจจะไม่แยกใครให้เลือกซึ้มตักกันแคนั้นเองนะครับสามารถทางปัญญาและทางสมาธิถ้าทางสมาธินอกจากได้ฌานสี่แล้วยังเป็นได้อุปจา ร, ร, รมสมาธิได้อภิญญาอีกนะครั อย่าตัวอย่างของผู้ที่เรียกว่าเจตโตวิมุตต์ก็คือพระโมคคัลลานะพระเจ้นะาบอกว่านายคนนี้เจ่ังทางด้านเจต่อทางด้านสมาธิทางด้านจิตสามารถมีความสามารถระดึกชาติได้อ่านวาระจิตของผู้อื่ได้ต่างๆส่วนทางทางมุขพร ะ, ะสารีบทนี่พระเจ้ า, าบอกคนนี้เป็นทางปัญญาวิมุตต์ ตนนี้เก่งทางด้านปัญญา嘛ลองจากพระทเจ้าเท่าทนั้นในเรื่องของการแสดงธรรมแสดงธรรมการการแจกแจก่ายธรรมะต่างๆให้แก่ผู้ที่ฟังนี้ไม่มีใครจะฉลาดที่ชํานาญเท่ากับพระสารีบ น, นอกจากพระพุทเจ้าเพียงเดียวนี่คือเรื่องของเจโตวิมุตต์กับปัญญาเั้ไม่ได้มาข่าว่าเจโตวิมุตต์นี้ใช้แต่สลาที่อย่างเดียวพระวิมุตต์ไม่ใช่ นะไม่เลยนะเขาปัญญาวิมุติใช้แต่ปัญญาอย่างเดียวเพิ่มเพิ่งผลไม่ใช่แต่คนที่ไม่ปฏิบัตินี่จะเมาว่าเป็นอย่างนั้นแต่มีคำคิดว่าไม่ต้องไม่ต้องเจริญสมาธิก็ได้ใช้ปัญญาวิมุติเลยใช้ปัญญาอย่างเดียวกาวิมุติได้ไม่ได้เขามีทั้งสองอย่างถึงจะวิมุติได้เมืนเรียนแพทย์คนหมอหรวิชานี้ผมไม่เก่งผมไม่เรียนได้ไหมเรีนวิชานี่ไม่ได้ใช่ไหมเก่งไม่เก่งก็ต้องสอบไม่ผ่าน อาจจะไม่ได้สี่จุดจะไม่เป็นนะครับได้สองจุดขึ้นไปก็ผ่านก็โอเคสองก็พอแล้วครับ <c oughs> อันนี้คือความหมายแบบนั้นครับผมคุณ WH อครับขอเรียนถามว่าการนั่งสมาธิจนถึงเข้าฌานลึกๆเป็นเอกคตาแล้วตัวรู้วิญญาณขันจะตั้งอยู่ที่ไหนเจ้าคะ่ะมันพักทำพักทงานเชื่อกาวชั่อข่าวแลขานทั้งสี่พักทำงานเนชื่อข่ า, งง า, ขทำทำาว เวทนาสัญญาสังการหนึ่นยางันจะทจหยุดทำงานเรื่อาจะทำงานแบบที่ละเอียดที่เราไม่สามารถที่จะรู้เห็นได้ครับคุณจำปาหอมครับขอฝากคำถามหลังจากสวดมนต์แล้วนำเงินอธิษฐานขอใส่บาตรพระพุทธรูปที่บ้านเมื่อได้จำนวนพอควรแล้วโอนทําบุญโรงพยาบาลสงฆ์กุศลเท่าใส่บาตรพระสงฆ์หมคะบุญสาเร็จทุกวันหรือสาเร็จเฉพาะครั้งที่โอนเงินครับ ถ้ายังไม่โอนเนี่ยก็ยังไม่เสร็จนะเพราะยังไม่สำเร็จเพียงแต่เป็นการสะสมเป็นการเตรียมตัวไว้เท่านั้นเองถ้าโอนทุกวันก็สําเร็จทุกวันถ้าอยากให้สำเร็จทุกวันก็ต้องโอนทุกวันเ<บ>พราะไม่รู้เราจะตายเมื่อไหร่ถ้าเกิดเราตายก่อนที่โอนนี้บุญที่เราสะสมเงินที่เราสะสมนี้สสมไม่ได้เไม่ได้เป็นบุญเลยคุณพีพครับเราจะมีวิธีบอกกับญาติเราไม่ให้เขาคิดที่ตกกังวลเรื่อง ทางวัดนําปัจจัยที่ญาติทาบุญไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ได้อย่างไรเพระาะญาติกลัวว่าจะไม่ได้บุญค่ะไม่เกี่ยวกันอนะ่ะคนนะทำบุญนี่พอให้ไปแล้วได้บุญแนละ้วส่วนคนเอาไปใช้นี่จะใช้อย่างไรนี้เป็นเรื่องของคนใช้ไปเป็นเงินของเขาแล้วแต่ถ้าเขาหลอก ล, กลวงเราเราถ้าเรารู้ว่าเขาต่อไปเราก็อย่าไปทําบุญกับเขาแล้วกันที่เขาหลอกยาเงินไปสร้างโบสถ์นั่นก็ไปซื้อรถเก่งมาขี่ ถ้าบรรลุเป็นภายหลังก็ต่อไปก็อยากไปทำบุญกับเขาบ้าแล้วกันเราะแสดงว่าเขาไม่ซื่อสัตย์เขาหลอกลวงแต่การทำบุญของเราไม่สูญหายการบริจาคเงินก้อนนั้นไปเป็นบุญเป็นที่แล้วคุณสมพรครับในสมยัยพุทธกาลมีคาระวะที่บรรลุเป็นพระอาหารหันต์บ้างไหมครับมีใครบ้างอและหรือขั้นรองจากพระอาหารหันต์ก็ได้ครับน้อมกับ าามีมีเยอะแยะไปหมนเพียงแต่ว่าเราจำไม่ได้เราไม่ได้ศึกษาอะไรเลยมีเยอะแยะไปหมดที่มีเนี่ยที่ชัดๆกับพ่อของพระเจ้าก็บันรู้เป็นป้าเจ็ดวันก่อนตายครับพายะก็เป็นผู้ที่บรรลุธรรมจากที่ทำทำให้พระเจ้ า, ารทรงแสดงธรรมแบบย่อๆพอได้ยินเสร็จก็บรรลุธรรมได้แล้วขอขอเป็นเตรียมตัวบวชระหว่างทางถูกกระเทงขีด ต, ตาย ก็เลยมีความเชื่อกันนาว่าถ้ามันรู้เป็นพรารหันตแล้วถ้าไม่ได้บวชภายในเจ็ดวันที่จะต้องตายเพราะในกรณีของพ่อพ่อเจ้าก็ไม่ได้บวชก็เลยต้องตายภายในเจ็ดวันภายยะไปเตรียมตัวบวชยังไม่ได้บวกก็ตายถูกกระเทียมขลิดตายแต่การตายนี่เป็นเรื่องของกรรมของแต่ละบุคคลเมื่อถึงเวลาที่กรรมมันจะแสดงผลมันก็มันก็ต้องตายกันแม้แต่พระอรหันต์ก็ต้องตายเมื่อถึงเวลาที่มัน ถึงมวลของกรรมที่จะต้องตายมันเกิดขึมันไม่เกี่ยวกับการเป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นพระอรหันต์บวชหรือไม่บวชไม่ไม่เกี่ยวความจริงเป็นพระอรหันต์นี่ก็ถือว่าบวชแล้วเราจะไม่เรียกพระอรหันต์ได้องไรเราต้องเรียกนายอรหันต์เลยเราเรียกพระอรหันต์เนี่ยพระอริยบุคคลเนี่ยนี่แหละเป็นพระแท้พระที่กอดหัวบวชด้วยผ้าเหลืองผมขาวนี่ผมเหลืองแล้วก็หัวนี่เป็นพระปลอมแล้วไหยบวชกันเต็มไปหมดเห็นไหม ตรงนี้เป็นผ้าปลอมใจยังเป็นยังเป็ น, ปนผุุ้ชนอยู่ร่างกายเป็นผ้าเป็นเครื่องแบบเท่านั้นเองร่างกายนี่เป็นเหมือนสายเครื่องแบบโดยผ้าแท้คือใจครับงั้นถ้าเป็นผ้าอาหารแล้วนี้ถือว่าบวชแล้วได้บวชแล้วครับบวชด้วยการปฏิบัติคุณแพทย์ครับในเมื่อกายและจิตไม่ใช่เราแล้วรูปกายของเราที่เห็นอยู่ และเราที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคืออะไรคะทําอย่างไรจะสอนในจิตเข้าใจในข้อนี้คะก็คือต้นไม้ต้นหนึ่งนะเหมือนกับต้นไม้อยืนนิ่งต่างกัาที่ว่าต้นไม้ไม่มีตาหูจมูกเิ่นกายแต่ใจเรามีร่างกายเรามีตาหูจมูกเล่นกายยิงมีดวงมีจิตมาเกาะด้วยโดยทําให้เป็นเป็นเหมือนกับเป็นสิ่งที่มีการเคลื่อนไหวได้เพราะมีจิตเป็นผู้สั่ง ให้ขยับแขงขยับขาแต่โดยส่วนประกอบของร่างกายนี้กับส่วนประกอบของต้นมานี่เหมือนกันใช้ดินน้าน ม, มไฟมาทําเหมือนกันเหมือนขนมต่างๆนี่เราใช้อะไรเป็นส่วนประกอบใช้แป้งใช้น้ําตาลใช้นมใช้อะไรมาผสมกันแต่ขั้นตอนของการทํานี้จะทําให้เกิดขนมต่างๆขึ้นมาจะ ไ, ไม่เหมือนกันเป็นซาลาเปาบ้างเป็นนมจีบบ้างเป็นขนมเค้กบ้าง มก็มาทำมาจากวัสดุอันเดียวกันนี่ะทามาจากแป้งทามาจากน้ำตาลทำมาจากเปลือกหรืออะไรที่ส่งให้เขาว่ า, าน้ําอะไรต่างสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเนี่ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์ไม่ว่าต้นไม้ใบหญ้ามันก็เป็นเหมือนกันหมดเพราะทำมาจากวัสดุอันเดียวกันส่วนประกอบเหมือนกันคือทำมาจากดินน้ําลมไฟทั้งนั้นแต่เราแยากแยะไม่เป็นเราพิจารณาไม่เป็น แง่ต้นไมาต้องมีดินนะจะปลูกต้นไม้มบนท้องฟ้าได้หรือเปล่าต้องมีน้ําแล้วปล่าต้องมีต้องมีความร้อนหรือเต้องมีอุณหภูมิถ้าเป็นปลูกต้นไม้ที่ขั้วลงเหนือได่ขึ้นไหมไม่ขึ้นเนี่ยมีน้ํำมีดินมิแต่ไม่มีมีอากาศแต่ไม่มีไม่มีอุณหภูมิความเย็นมันมีแต่ความเย็นก็ขึ้นไม่ได้ปลูกต้นไม้ในทะเลทรายได้หรือเปไม่ได้ ว่าขาดอะไรขาดน้าใช่ไหมมีมีดินมีลมมีไฟแต่ขาดน้ำแต่เราปลูกในประเทศไทยนี้ขึ้นไม่ขึ้นเพราะมีทั้งดินทั้งน้าําทั้งลมทั้งไฟร่างกายของเราก็เหมือนกันเราก็ต้องมีดินน้ำํำลมไฟลมที่เราห า, ายใจเข้าอยู่ตลอดเวลาเนี่่น้ำที่เราดื่มเข้าไปตลอดเวลาดินก็คืออาหารคือข้าวที่เรากินเข้าไปตลอดเวลาไฟก็คือความร้อนที่เราได้รับจาก พาทิศเองร่างกายเรากับต้นไม้นี่ไม่ต่าง ก, กันเลยต้นไม้ใบหญ้าชนิดต่างๆหรือน่างกายของสาาัตว์เลี้ยงลูกฉางม้าแมวนี่ก็เหมือนกันหมดเปนใช้ส่วนประกอบอันเดียวกันแต่แต่ขั้นตอนของการผลิตมันไม่เหมือนกันมันเลยทําให้ผลิตออกมาเป็นรูปร่างลาักษณะต่างกันเท่านั้นเองอย่างขนมต่างๆเนี่ยมีขนมปังมีขนมเ ค, ค้กขนม หัวซองอะไรก็มันก็ทํามาจากแป้งส่วนเป็นส่วนใหญ่ครับแป้งขอน้ําอันนี้ก็เหมือนกันนร่างกายเราก็เป็นเหมือนต้นไม้คุณเพชรบุรีครับถามเรื่องผ้าไตรครับหนึ่งชุดแล้วเวลาซักทําความสะอาดจะใช้ผ้าอะไรของกายชั่วคราวก็รับก็ใช้ก็สลับการซักเห็นไหสลับทีเดียทั้งชุดเนี่ยครั บ, รรรบถ้าถ้านั้งสือสางเืยทั้งกัน ถ้าเวลาท่านสักท่านก็ต้องดูว่าช่วงนั้นท่านต้องใช้ผมทั้งสามผืนหรือไม่ถ้าไม่ไปใช้ในตอนช่วงก่อนจะไปบินธบาาไปซังก่อนไป่ได้เพราะเราไปบินธรบาามันต้องใส่ผ้าไต้ไปใส่อย่างน้อยผ้าจีวอนกับผ้าผ้านุ่งไปแต่ถ้าเวลาอยู่ในวัดในยุคนี้ในสมัยก่อนต่างกันยุคนี้ยุคนี้เรามีผ้าสํารองผ้านอกผ้านอกไปคือผ้าอํานับผลกับผ้าอัมสับเราใช้แทน เวลาเราซักผ้าจีวรแล้วก็นุ่งผ้าผ้าอ่างสาหร่ายน้ําฝนไปผับผ้าหมดดังนั้นสามารถบพุทธการนี้ท่านจะสนับกันท่านจะไม่ซักทีเดียวทั้งสามผืนถ้าซักจีวรถ้าก็ยังมีผ้าสังฆติไว้คอยห่มแทนได้ถ้าท่านซักสบองท่านก็ยังมีผ้าจีวรไว้ห่มปิดร่างกายได้นั้นท่านจะไม่ซักทีเดียวเพราะมันสามผืน อาจารย์ครับได้ยินว่าหลวงตาเวลาบินทบาตรท่านต้องของผ้าสองผืนซ้อนกันเลยหรือครับพรอาจารย์อันนี้เป็นกฎของของพอะีหน่อยความจริการบินทบาตรนี้เพราะว่าสมัยพุทธกาลนี้ผ้าหายากนะครับทิ้งผ้าไว้ก็ผ้าจะอยู่ผ้าส่วนใหญ่จะอยู่ในป่าอยู่ตามคนไม้กันไม่มีที่ปกปิดมิชิดแล้วท่านถือผ้าสามผืนแล้วปกติผ้าผ้าสังกะสนี้ท่านจะไม่ใช้สาหรับการ ห่กันหนาเวลาในช่วงฤดูหนาวช่วงฤดูร้อนนี้ท่านก็จะหกมแค่ผ้ากีวอนเพลินเดียวการเวลาไปบินธบาตินี้ไม่มีใครเฝ้าที่อ่วาใสเพื่อความปลอดภัยท่านก็เลยให้เอาผ้าสังกะสีไปด้วยแต่ผ้าไปก็ดูมันเกะ ก, กะมันมันมันไม่สะดวกก็เลยให้ซ้อนผ้าไปเลยมันก็ซ้อนใสผนนาา่ผ้าสามผืนเลยเวลาไปธบาตผ้าจีวรนหนึ่งผืนหนึ่งชั้น ผ้าสังกะิีอีกสองชั้นอีกสองผืนเวลาบินดาบผ้าป่านี้จะีินดาบาของผ้าที่เดียวสามสามผืนไปครับถ้าปฏิบัติทุกวั น, นจะทําอย่างนี้อ๋ออันนี้เป็นเป็นกฎระเบียบของพระในการรักษาผ้าครองครับปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ยังเป็นอย่างนี้อยู่ตามม่านป่านนี้ยใช้สามสามผืนจะใช้ผ้ากิวอซอนกับผ้าสังกะสีเอาเป็นาบาบจะไปครบยาผ้าทั้งสามสาม สามชิ้นไปพระพระไตรยจะออกไปพร้อมกันพระสมบงพระนุ่งพระหอกจีวรซ้อนกับพระสังฆเตครับคุณสีครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ถ้าอยากถวายผ้าขาวแทนถวายพระไตรยสาเร็จพระท่านจะรับไหมเจ้าคะโยนถวายพ้าอะไรท่านก็รับทั้งนั้นส่วนท่านเอาไปใช้ได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านใช้ใช้พระแบบไหนพระที่ท่าน ใช้ผ้าขาวมาตัดท่านก็จะท่านก็จะเาผ้าขาวไปตัดผ้าที่ท่านตัดผ้าไม่ตัดตัดเย็บไม่เป็นท่านก็เอาผ้าตี่สําเร็จมาใช้ก็แล้วแต่ว่าท่านจะได้อย่างไรนะครับเป็ น, ป น, ปนผ้าที้ไม่มีสิทธิ์เลือกผมว่าโยมผ้าอันนี้เราไม่เอานะเราผ้าอันี้ไม่ได้โยมจะถวายอะไรก็รับได้นอกจากโยมไปถามท่านโดยตรงถามว่าท่านใช้ผ้าแบบไหนท่านใช้ตัดเย็บจีวนเองหรือว่าท่านใช้ผ้าสําเร็จ ถ้าทำอะไรก็ต้องถามว่าสีสีชนิดไหนว่าเดี๋ยวนี้มันมีคาราวัดนี้มันจะมีสีไม่เหมือนกันเดีย๋ยวาไปซื้อถอยผ้าที่ไม่เหมือนกับวัดที่เขาใช้ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกับเครื่องแบบตํำรวจทหารนี่ก็มีสีของเขาใช่ไหมครับถ้าคุณไปไปซื้อสีที่ผิดแต่เขาก็าใช้ไม่ได้ครับคุณสมพรครับในวันพระคราวาดควรปฏิบัติอะไรเป็นพิเศษนอกจากไปวัดฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์ทำวัดเย็น นั่งสมาธิหรือว่าแค่นี้ก็ถือว่าสมมูรณ์แบบพอใช้เรียบร้อยครับก็ปฏิบัติทั้งมันทั้งคืนไงหนึ่งวันกันหนึ่งคืนนักษาศีกันหนึ่งวันกันหนึ่งคืนเดินจยกมมนั่งสมาธิกันหนึ่งวันกันหนึ่งคืนยุ่เว้นเวลาหรับฟังเทศฟังธรรมไม่ใช่เอาแค่พอหอมปออากอมอฟังเทศกันเองนั่งสมาธิสิบห้านาทีเดินโยกมุมสิบห้านาทีก็ถือว่าพอแล้วนี่ไม่ยังไม่พอ ท, ทั้งปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนยัเป็นเวลาหรือคุณทําในจิตครับขอความเมตตาคําถามสองข้อครับข้อที่หนึ่งอันที่สองของการให้ทานคือถ้าต้องกลับมาเกิดอีกจะเป็นผู้มีทรัพย์ไม่ต้องลำบากทํามาหาเลี้ยงชีพดังนั้นเพื่อเป็นการปรักกันความเสี่ยงเมื่อเก็บทรัพย์เพียงพอสาหรับปัจจัยสี่แล้วนําทรัพย์ส่วนที่เกินจาเป็นมาสละจาคะให้ทานจนหมดถ้าทําแบบนี้เป็นการกระทําไปเพราะความโลภไหมเจ้าคะ แล้วที่ถูกต้องควรปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะคือการโลภความโลภในธรรมนไม่เสียหายทำไมเรียกว่าเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นมรดกดัง น, นั้นความโลภเนี่ต้องเข้าใจว่าความโลภที่เป็นเป็นอันตรายต่อจิตใจก็มีความโลภที่เป็นคนประโยชน์กับจิตใจก็มีความโลภในทานในศีในภาวนานี่ถือว่าเป็นประโยชน์กับจิตใจเพราะจะทําให้จิตใจมีความสุขมากขึ้นไม่เสียหาย แต่ความโลภทางกิเลสอย่างได้เงินทองมากก็อยากรวยอยากใหญ่อยากมีความสุขทันรูปเสียงกิตยอนนี้เป็นทอเกับจิตใจเพราะบางเป็นเหมือนยาเสพติดเสียงนั่นมันจะติดเวลาขาดนั้นมันจะทุกมันจะทวารามายังต้องเข้าใจว่าความโลภและความอยากนี่มีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีถ้าเป็นฝ่ายดีนโลภได้เลยโลภบุญโลภกุศลโลภศีลโลภธรรมนี้ทําได้ ไม่เสียหายเป็นประโยชน์ต่อจิตใจคข้อที่สองเขียนไม่จบนะคะรับอาจารย์ถ้าสามีภรรยาไปทําบุญด้วยกันถ้าสามีเป็นผู้ถวายปัจจัยจบเลยก็คืออยู่ว่าเป็นของใครถ้าเป็นของทั้งคู่เนาะมีความรับรู้ยินดีแบบด้วยกันก็เหมือนกับเป็นก็ได้บุญทั้งคู่แต่ถ้าเป็นของใครของมันก็ตัวใครตัวมัน <laughs> คุณพิสิทธิ์ครับ มีบางคนได้รับความทุกข์ยากเรือร้อนอยู่หนึ่งๆเขามักจะพูดว่าชาตินี้เกิดมาเพื่อใช้กรรมก็ต้องก้มหน้ารับกรรมไปจนกว่าจะหมดถูกต้องหรือไม่ครับและมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าชาติก่อนก็อาจจะไปสร้างปัญหาไว้มากกับผู้ชาตินี้อะไรก็ต้องกลับมามาเจอปัญหาต่างๆจากผู้ชาติก่อ น, นเคยไปทําความดีกับผู้ชาตินีน้ก็กกมีผู้มาทําความดีกับเราอันนี้เกิดเรื่องของกฎแห่งกรรมมันเป็นอย่างนี้ คุณอยากกินครับถ้านั่งสมาธิแล้วได้ยินเสียงดนตรีไทยบางครั้งก็ได้กลิ่นดอกไม้ต้องแก้ไขยังไงคะอย่าไปสนใจให้กลับมาที่พุทองกลับมาที่ดูลมหายใจคุณปุยเมฆบอกว่าอยู่กลางแจ้งเป็นวัดอยู่ป่าช้าเป็นวัดถือกันนั่งเป็นวัดไม่ทราบถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ อันนี้รู้สึกจะเป็นทุนตรงค๊าวัดอกสองข้อที่ไมันพูดถึงการอยู่ป่าช้าเป็นวัดเนียอยู่ป่าช้ามันทําให้มันเป็นทาที่สงบไม่มีใครมารบกวนเนี่ยเพราะไม่มีใครไปเที่ยวป่าชากันฮะไม่มีเด็กไปเที่ยวไปเล่นตามป่าช้าเนีเวลาไปภาวนาป่าช้านี่มันแล้วไม่มีใครมารบกวนแล้อย่างนึงก็จะทําให้มีสติดีขึ้นไม่ง่วงทําไม่ง่ว ง, งนอนนอนโดยการอยู่การแจ้งนี่ไม่ทราบประโยชน์เพราะไม่เคยอยู่ บางท่านอาจจะชอบการแจ้งก็ได้นะหรือวว่ามันโล่มันเบามันบางคนไปนั่งภาวนาอยู่แถวกลางทุ่งเลยรอ่ น, นี้แนละ้รู้สึกว่ามันจิตมันสงบดีครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของของขอ ง, งของเจลิกของแต่ละท่านการนั่งเป็นวัดไม่ทราบถูกหมกายือเปล่าเรือการนั่งเป็นวัดก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติทุนดวงเป็นการปฏิบัติ ด, ด้วยวิธีการ ด้วยสถานที่ที่เราเลือกได้อยู่ป่าเป็นวัดก็ได้อยู่ในป่าช้าเป็นวัดก็นด้อยู่ที่แจ้งการแจ้งเป็นวัดก็ได้แล้วแต่เราจะชอบทนกิริ์กบับเราอยู่ที่เราภนะาวนาแล้วได้ผลดีล้วก็เลือกที่เหลนั้นไปคุณสมพรครับการเป็นคารวะแต่พยายามปฏิบัติตัวแบบพระเท่าที่จะทำได้คารวะสามารถหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ไหมครับ ได้ถ้าปฏิบัติเหมนกับพระพาปิิพระอริยะคือสุ ป, ปฏิปันโนอุชุ ป, ปฏิปันโนยายะ ป, ปฏิปันโนชามีจิต ป, ปิติปันโนก็มันรู้ได้ไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นฆราวาะหรือเป็นพระอยู่ที่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นเองคุณแบมๆครับบางทีเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วคิดดูพอมันรู้ว่าอยากอะไรมันก็ปล่อยหายทุกข์แต่กิเลส ก, ก็ไม่ได้ขาดสนิท แบบนี้คืออะไรคะคือเราต้องค่อยๆปล่อยไปทีละเรื่องที่เรายึดติดหรือคะใช่เรามีเรื่องที่เรายึดติดอะแยะๆนาจะปล่อยเรื่องนี้ได้เดี๋ยวมันก็ไปเกียวติดของเรื่องอื่นใหม่ก็ได้เราก็ต้องคอยสังเกตใจเราอยู่ทีลเรื่องว่าใจเราทุกข์หรือย่างมีความทุกข์เกิดขึ้นมาก็ต้องพิจารณาว่ามันทุกข์กับเรื่องอะไรแล้วก็ไปละเรื่องนั้นเรื่องการยึดเรื่องความอยากกับเรื่องนั้นให้ได้โดยการพิจารณาละ ถ้าพยนายามแล้วแต่ยังละไม่ได้แสดงว่าเราไม่มีกาลังไม่มีไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาพอเราก็ต้องไปฝึกสมาธิเพื่อให้เรามีกําลังปล่อยวางอุเบกขาคือการปล่อยวางนั่นเองถ้าไม่มีอุเบกขาถึงนั้นรู้ว่าคนจะปล่อยเขาปล่อยไม่ได้คุณอ้อยครับเวลานั่งสมาธิทําอย่างไรมันถึงจะสงบง่ายคะเวลานอนพุทโธมันสงบไว้มากแล้วมันเลยติด แต่พอนั่งแล้วรู้สึกว่ามันยากจิตไม่นิ่งฟุงซ่านมากค่ะก็พุโทโธอยู่เรื่อยๆพยายามขยันพุโทโธใจเย็นๆมันยิ่งอยากให้มันสงมบ ม, มันยิ่งไม่สงบนะพยายานั่งสมาธิอย่าให้เกิดความอยากไม่ให้มันสงบเพราะความอยากนี่มันจะเป็นตัวความความสงบต้องไม่มีความอยากให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก็จะสงบได้นำผลไม้หมัก พระฉันได้ไหมคะเห็นบังวัดนท่านทำน้ำหมักซึ่งมีแอลกโอฮอล์ครับอาจารย์พถ้าเป็นของมึนเมาฉันไม่ได้หรอกนอกจากผลไม้ดองเช่นสมอนี่ท่านเอามาฉันเป็นย า, า, า, า, าได้อยู่ผลไมที่มาดองด้วยด้วยน้ํําน้าเกลื อ, อนี่แล้วกล า, ายเป็นอไ ม, ไม่ไม่ด้การเป็นแอลกโอฮอล์พวนี้มันดเป็นน้ำมึนเ อาารย์ขอีกสองข้อนะครับขออนุญาตสอบถามหนูอยากไปกราบพระอาจารย์และสาบาทพระอาจารย์สามารถไปกราบได้เวลาไหนและสาบาทได้ที่ไหนครก็บินตำบาททุกวันที่บ้านอำเภออยู่บ้านจากวัทยาก็ผ่านโน้นโน้นนะสามารถจะเดินมาประมาณนักสองกิโลก็จะถึงหมู่บ้านหน้าอำเภอก็เริ่มบินตำบาทที่สะนซอยนาจอมเทียนสามสิบเา เดินไ ป, น ป, นปนทะลุ อ, อีกซอยหนึ่งใช้เวลาประมาณสี่ห้านาทีหรือชั่วโมงแล้วแต่วันว่าคนใส่มากน้อยตอนนี้ช่วงนี้ก็เริ่มปินบาตประมาณ6กโมงเช้าทุกวันคำถามสุดท้ายครับคุณตรงลทครับการบวชหน้าไฟบวชแล้วศึกได้บุญหรือเปล่าครับบุญถึงคนตายหรือเปล่าครับก็ได้ ก็ได้ได้เท่ากับปริมาณที่เราทําำทําวันหนึ่งก็ได้บุญวันหนึ่งก็ขึ้นอยู่ว่าบวชบวชแล้วปฏิบัติหน้าที่ของพระหรือเปล่าด้วยถ้าบวชแล้วใจยังเป็นเล็งอยู่ก็ไม่ได้อะไรเลยบวนแล้นก็มานั่งรอคิดว่าจะศึกเมื่อไหร่คิดที่อยากจะกลับไปทํานู่ทนทํานี่ต่ออย่างนี้ก็เรียกว่าบวชทางกายแต่ทางใจไม่ได้บวชเลยไม่ได้เข้าสัมผัสลดของความรดของการมีสิ่งลดของการ ม, มีความสงบเลยถ้าบวชแบบนี้ก็ไม่ได้บุญ มุ่งเข้าไปถึงคนตายครับอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆที่ฟังทำกันอยู่ในเฟซบุ o กห้าร้อยแปดสิบสี่คนในยู u ูบเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่คนในครับเฮ้าส์สิบแปดคนครับรวมหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบหกคนครับอาจารย์ครับก็ยินดีที่ได้มีผู้สนใจเข้ามารับชมรับฟังเพราว่าคงจะได้รับประโยชน์บ้างไม่บ้างกัน้อยก็นําออกไปช่วยในการปฏิบัติ ให้การนัเ่เจริญรุ่งเรืองต่อไปในรอบคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรกับเวลาก็ขอให้ท่านจงละวสิ่งที่ท่านได้ยินไน้ฟังไป พ, พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุกความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุขอลาท่านผู้ชมผู้ฟังท่านคุณหมาไปเพเทนนี้ mm hmm. ถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไราขัดข้อง mm hmm. ก็คงจะได้พบกันอีกครั้งหนึ่งในวันอาทิตย์หน้า ข้อเสนอถอครับกลับขอบคุณพระอาจารย์ครับ